เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบารสันผู้ฝ่ายทราทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทานสีลภาวนาใครที่มีความสนใจท่านที่มีความสนใจก็เชิญเข้ามาร่วมบรรณาได้ วันนี้ท่านแรกที่เข้ามาก่อนก็คือจามัทกับแจตี้รำมสกับพัจังครับเป็นยังไงบ้างโอเคครับเราเรียนเปิดแล้วใช่ไหมตนนเปิดนะคะเรียงยากไหมก็ยากครับยาก อยู่ชั้นไหนล่ะจะมาอยู่ชั้นม .2 ครับม .2 แล้วเจตีอ่ะปห้ครับอ๋อปห้โอเคตั้งใจเรียนะค่ะโอเคเอาการบ้านมาสอง่งข้างน้าใช่คครับอืมบ้าห์นะผมเราไม่เป็นโอเคไหมเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจ<ะ>ัดละเ<ะ>ว้นแต่งต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของกระเริยนใจทั้งหลายทร<ม>้งวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแตนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราทหบายคนที่เจรณายอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอเรามีอะไรบ้างในตัวเรา ผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อไนกระดูกม้าหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อขอาหาใหมอาหารเก่าเยี่นในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเฉลดน้ำเหลือน้ำเอเลือน้ำน้ำน้ำมันค้นน้ำตาน้ำเหลี่ยนน้ำลายน้ำไขข้อน้ำูด น้ามุนน้ำน้ำมุกน้ำลายน้ำเดี่ยวน้ำตาน้ำมันต้นน้าเนี่ยน้ําเลือดน้ําเปลืงน้ำเสลดน้ําดีแยกในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ใช่น้อยใช่ใหญ่ปอดไตพังผืดตับปอดใจม้าเยกในกระดูกกระดูกเอ็นหนังฟันเล็บขน มีอะไรไหมนั่งสมาธิทุกคืนหรือเปล่านั่งทุกคืนครับ อ, อนั่งได้ไหยได้นั่งได้กี่นาทีก็ตอนนี้ออไม่ได้จับเวลาค่ะแต่ก่อนจับเวลาสิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วเหมือนเขาจะแบบเ อ, อ่อคอยคอยดูเวลาอะไรงะเงี้ยค่ะตอนหลังก็เลยไม่จับเวลาก็าบอกนั่งไปเลยนั่งไปเรื่อยๆอยากลืมตามเมื่อไหร่ก็ลืมเนี้ยค่ะปรากฏว่านั่งได้นานกว่าเดิมอะคะ่ะพระอาจารย์ อเอแลขาก็สงบขึ้นค่ะค่ะค่ะหนูสอนว่าให้เหมือนกับตัดการรับรู้ทั้งหมดนะคะ่ะหลับตาจะได้มองไม่เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ดูแค่ลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือ น, นเขาเข้าใจแล้วทําได้ดีขึ้นนะคะโอเคพยายามฝึกสตินะช่วงที่ไม่ได้นั่งก็พยายามมีสติอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับร่างกายร่างกายแล้วกำลังทำอะไร ปล่อยเทาดึไปกระทาร่างกายอใ้ใจไปที่อื่นอย่าให้ใจลอยใจผูกไว้กับร่างกายผูกไว้กับมันเถอมันเถอะอคมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเลยไปอนไปที่น้องนักคุณนนักคุณมาขอบคับพวกคุณพระอาจารย์ครับ อ๋อพวกเด็กๆให้หมดกัอนนะนักกง้านบานี่ไ่้มาครับพระอาจารย์ค่ะพอดีว่าวันนี้หนูมาประชุมที่ต่างจังหวัดค่ะน้องอยู่ที่โตเกียวค่ะอ๋อค่ะนอยู่ที่ไหนหนูอยู่นากาโน่ค่ะพระอาจารย์อยู่บนภูเขาค่ะอืคิดว่ามาเมืองไทยยังไม่มาเลยไปวันเสาร์ค่ะพระอาจารย์วันเสาร์ค่ะประชุมเสร็จก็บินไปไทยต่อเลยค่ะ ที่จะไปมิ่งต่อไปตด้เลยค่ะเดี๋ย ว, วพรุ่งนี้มีประชุมใหญ่ค่ะพระอาจารย์เลยมากราบขอพรพระอาจารย์ขอให้มีสติค่ะ <laughs> พุทโธพุทโธขอไม่ได้สติขอ ไ, ได้ก็้งทำอย่างเช่นค่ะลองทำเองพุทโธพุทโธขยันพุทโธไว้แล้ ว, <laughs> ลวททมันจะได้สต <laughs> พททิพุทโธพุทโธไว้นะคะ <Okay. S 2> พรุ่งพรุ่งนี้มีมาหลายชาติเลยค่ะเลยตื่นเต้นนิดนึงค่ะ ก็าดูอการ32ไปมันก็เหมือนกันทุกชาติน ะ, ะมีผมคนเล่มฟันหนะังให้กันนเหมือนกันมีเกิดมีเกิดยาเจ็บตายเหมือนกันมันก็ลดทุกอย่างมันต้องไปตึงเต้นอะไร ช่วงเตรียมงานประชุมมีปัญหามากมายแล้วก็กดดันต่างๆก็ได้ทรมาพระอาจารย์นะคะที่บอกว่าใครจะว่าก็ว่าไปใครจะชมก็ชมไปให้ทำผู้เชยๆชเาทำเน้อยดีสุดก็แล้วกันค่ะกรับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะโอเคนะค่ะต่อไปที่ตะวันจูเนี่ยตะวัน ไม่มีคำถามครั บ, รรครบ ไ, ไครับผมไม mm hmm. ่ไม่มีคำถามครับไม่มีคาถามเลย mm hmm. มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังบ อ, อตัวเองเป็นสิบกดแล้วครับอันนี้สิบกอดลอลไอไม่เอ่อี่้าวันไปแล้วก็สอดาวันเกิดสี่ห้าวันมาแล้ว ดีด้วยฮับี้วันเดย์ให้มีให้เป็นเด็กดีนะเชื่อความคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเรียนหนังสือยาการบ้านเหมาะสมเปล่าอ่าผมเพิ่มสิบขวดแล้วแล้วตอนนี้ตัวแองก็จะนันั่งสมาธิสมาทีค่านั่งทุกวันนะ เช้าวนเช้าเย็นอ่ะก็ยาอนฝึกไปเป็นการฝึกสตินะนี่พระอาจารย์มีอะไรจะแนะนาเจ้าตะวันไ้มคะเรื่องการนั่งสมาธิครัอก็ให้นั่งอยวไปคิดนั่งดูร้อย่านั่งที่เฉ้ต้องดูรมอนแลพุทโธอย่างใดอย่างหนึ่งนั่ทองพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าหยู่พุทโธ หรือถ้าไม่ไม่พูดทอลกนดูลมหายใจเข้าออที่ปลายจมอย่าเเน่วเฉยๆต้ามีงานทำต้องมีอะไรให้จิตทมโนะ okay. อเคค่ะทุกส่านโอน อมข้นเล็นนเนื้อเอ็นกระดูกี่ยกระดูกไตวัวใช้ทำปิดน้ำปัสาวเฉพาะอาหารใหม่อาหารเก่าเยอะในสมอีชน้าดีน้ำแลบน้าเหลืองน้าเลือดน้าเงินน้ามังคุดน้าตาน้ำมะเร็น้ำลายน้าบุบน้ำไข่ขาวน้ามู่ได้ดูภาพเนี่ยได้โพสต์ภาพไว้ในในเฟซบ o ๊ ถ้าใครอยากจะดูก็เชิญไปดาวน์โหลดมาดูได้เห็นเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์เห็นแล้วแหละเห็นแล้วหายากนังสือนังสือเรื่องวันนี้หายากวันนี้มีชาวมาเลยเมื่อวานนี้เขาแนะนามาเาไปเจอเขาไภาษาังกฤษคะพระอาจารย์มีก็เข้าไปหน้าภาษาอังกฤษอันนี้ก็เรือเดียวกันนะแต่ไม่เป็นภาษาอังกฤษนีภาพหักซอนภาษาไทย ก็เหมือนกันนะไม่ตัวอักษรก็เป็นเทศนาขอ ง, งตาแล้วก็ภาพลยหายหาดูยาเพราะภาพแบบนี้ไม่มีใครเขาอยากจะดูนะ <c oughs> ต้องคนบ้าอย่างพวกเราถังอยากจะดู <c oughs> <c oughs> นะพวกเราบ้าทำพวกเขาบ้ากิเลสกิเลสชอบของสวยสวยงาม ธรรมาชาติของสกรปรกของเน่าของเหม็นดูแล้วใจมันสงบดูดูแล้วใจ ม, ม, มันดับกิเลสได้หยุดกามารตานหาได้แต่ถ้าดูแ ล, ล้วใจชั่วไม่ไหวก็อย่าเพิ่งดูนะแสดงว่ากิเลสมันแรงกว่านีดูแล้วเกิดอาการไม่ค่อยสบายใจ ก, ก็อย่าอย่าไปบังคับต้องฝึกทำสมาธิให้มากขึ้นยนอม นี่แหละทำไมถึงต้องฝึกสมาธิก่อนถ้าไปทางปัญญานะเราต้องดูสิ่งที่กิเลสไม่ชอบดูแล้วพอเราดูกิเลสมันก็จะออกมาสร้างมาปัน้นสร้างความปั่นป่วนให้กับจิตใจของเราถ้าเราไม่ได้มีสติสมาธิควบคุมมันไว้มันเราก็จะดุงไม่ได้เกิดอารมณ์รู้สึกขยะแขยงรู้สึกหวาดกลัวหรืออะไรขึ้นมา ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าใจยังไม่พร้อมที่จะอยู่ก็อย่าไปอย่าไปฝืนกาทำสมาธิให้ใจมีอยู่เบี่าเพิ่มมากขึ้นก่อนมีอะไรไหมค่ะพระชาลก็คือเรื่องอสุภะนะคะพระชาลเมื่อก่อนเนี้ยนานมาแล้วนะคะโยมจะติดเต้นกับคนหลอกแต่ว่าพอได้มา ปฏิบัติธรรมนะคะพระอาจารย์เราก็พยายามจะทดสอบตัวเองอย่างเช่นว่าเป็นนั่งอย่างเนี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเจอเจอผู้ชายแล้วรู้สึกว่าหน้าตาเขาหล่อดีนะก็จะพยายามคิดถึงตรงที่ว่ามีรูทวารทั้งเก้าแล้วก็มีสิ่งสวปกไหลออกมาแบบเนี้ค่ะพระาอาจารย์ ม, มันช่วยได้จริงๆค่ะอตอนนี้ก็เลยไม่รู้สึกอะไรอ่ะค่ะพระาอาจารย์ต้องทราบไว้ก่อนทําไม่ทอาบไม่ก่อนเวลาเห็นแล้วมันนึกไ ม, นกไม่นึกไม่ออกอ ค่ะแต่ยังเห็นคุณมาโก้รออยู่ค่ะอาจารย์คนอื่นไม่เห็นว่ารอแต่คุณมาโกยังเห็นว่าร อ, อยู่ค่ะอาจารย์เราไม่ดูว่าสุภของเขาเพราะยังอยากไปดูเดี๋ยวอยู่ด้วยกันไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวต้องแยกทาง น, นะครับเราต้องรู้จักใช้ใช้เวลาที่มันเหมาะถ้าไปคิด <c oughs> ถึงถ้าไปเห็นคนอื่นก็ก็หยุดไว้ก่อนแต่สําหรับแฟนเราก็นี้สมนไว้ก่อน ก็คิดอยู่นะคะอาจารย์แต่ว่ายังยังไม่ได้แบบอมันมันความถี่มันจะไม่ได้เท่ากับกับกับที่เราไปคิดถึงกับคนอื่นแบบนี้ยาจเวลาไปเข้างนอกบ้านแบบเนี้ยค่ะอย่างนั้นมันก็ช่วยทําให้การการมาตรหาเราไม่ค่อยออ่ไม่ค่อยโดนแรงก็คืออ่าเริ่มอ่าถ้าเป็นสิ่งข้อสามนะคะพระอาจารย์ถ้าคิดจะไปชอบคนอื่นตอนนี้มันไม่มีแล้วเออไม่ได้ปัฒนาคนอื่น คใช่ค่ะมีความซื่อสัตย์คู่ครองขอรอันดีนีอาสุภาพนี้ก็ช่วยได้ช่วยได้มากจริงค่ะานี่มีอะไรไหมอาจารย์คะเรื่องการฝึกซ้อมตายนะคะอาจารย์เอมอยากทราบว่าจำเป็นจะต้องฝึกผ่านเวทนาทางกายให้ได้ก่อนไหมคะถึงจะไปฝึกเรื่องอุเบกขาทางใจนะ คือเบิาทางใจมันต้องฝึกก่อนก็นจะเป็นสมาธิเนี่ย <Okay. S 1> ถ้าเราไม่มีสมาธิเบิกขาเวลาเราเจอความเปียบใจมันจะดิ้นมันจะทระมานแต่ถ้าเรามีอเบิกขาใจมันก็จะเฉยแล้วเราก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อันเนี้ยการนี้ก็เหมือนกันทําไมต้องฝึกสมาธิก่อนถึงจะไปทางปัญญาได้ปัญญาก็จะเห็นว่า ความเจ็บขอ ง, งร่างกายเป็นอนัตตาเราไปควบคุมเบาะไปห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดเราก็าต้องยอมรับมันแต่ถ้าเราไม่มีอยู่เบคคาเราใจใจเราจะไม่ยอมรักใจเ้าอยากจะให้มันหายอยากจะหนีจากมันไปแล้วพออะไรเราหนีไม่ได้เนื้อมันไม่หายเราก็ทรมานใจแต่ถ้าเราทําใจเฉยๆได้ครับจะปวดก็ปวดจะเจ็บก็เจ็บเราก็สัตว์แต่ว่าลุ่มไปอย่างนี้ กาจะไม่ทรมาร์ตใจวิธีรับกับทุกทุกเวทนาห น, นี้ก็ไม่ได้อยากให้มันหายก็ไม่ได้เพรามันก็ตามมาอยู่ดีเดี๋ยวหนีเดี๋ยวลุกขึ้นจากตรงนี้ไปเดี๋ยวก็ไปปวดตรงนั้นเจ็บตรงนั้นอีกหรืวันไหนเมื่อต้องจะไข้ไข้อย่างนี้ไข้หวัดใหญ่นีนปวดไปทั่วสภากายทําไมก็หนีมันไม่ได้ยังต้องฝึกสอนใจอย่างนี้ อ, อยู่กรบมันให้ได้ให้อยู่กรบมันได้แล้วต้องมีเบเกขางั้นน้องฝึกสมาธิให้ใจเป็นเข้าอัปปนาสมาธิให้ได้นั้นจะมีอุเบกขาที่จะรับกับความเจ็ดได้ความตายได้ เพราะว่าตอนตายนี่ก็ไม่ไม่ทราบว่าจะมาแบบรูปรูปแบบไหนใช่ไหมคะพระอาจารย์อาจจะตายอย่างสงบหรือตายแบบทุกขเวทนาแบบนี้แล้วก็ต้องสอมไว้ก่อนใช่ไหมคะพระอาจารย์ทุกรูปแต่ไมคะมันมันก็ต้องมันก็บางทีมันอาจจะไม่มีทุกขเวทนาก็ได้แล้วมีแค่มันถ้ามันแต่มันก็เราต้องสอมทั้งสองอย่างมันคนละข้อสอบมันทุกขเวทนาก็ข้อสอบหนึงแล้วก็ความตายก็เอ็นข้อสอบ ความตายเราก็ต้องยอมรับเมื่อมันถึงเวลาเมื่อมันอยู่หายใจมันก็ตายงั้นมันต้องตายมันตายมันตายตายแล้วเราก็ต้องเสียสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดหรือคนอื่นตายเราก็ไม่เราก็จะไม่เศร้าโกเสียใจเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนี้ยคนข้างๆเราถ้าเกิดไปก่อนเราจะทํำยังไงทาใจแล้วไง อันนี้ต้องฟังเลยหอ่อนทั้งตัวเราทั้งตัวคนอื่นด้วยคราไป <คน S 2> วบวชทําทใจได้ค่ะแต่ว่าถ้าตายนี้อาจจะยังทําใจไม่ได้เพราว่าสายณตอนนี้ค่ะคือเราไม่ได้ว่า<ๆ>มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ <Okay. S 2> ต้องอาศัยอุเบกขาถึงจะทําทใจไดเจนะ้เรารู้ความจริงนะเราร้วนางพจนแบบไม่ได้อย่างที่ ยัาไงท่องไวเรามีความตายเป็นธรรมดาลบพนความตายไปได้ไม่ได้ที่จะทำไงให้เราอยู่กับมันได้รับมันได้เวลามันเกิดขึ้นก็ต้องมีเบกจขาต้องสัดฝึกสติให้มากๆแล้วนั่งสมาธิให้บ่อยๆให้ใจนิ่งเฉยแ้่มันจะค่อยๆรับกับความเจ็บความตายได้ สมาธิต้องมาก่อนปัญญาปัญญาที่เราเข้าใจกันเป็นยมจาปัญญาแบบจิบ๊บจอยคิดนั้นก่อนไอ้นี่ดับไอ้นี่เป็นจินตนาการเป็นก เ, เป็นการทําการบ้านแต่ต้องไปเจอของจริงเวลามันต้องเข้าห้องสอบต้องทําข้อสอบถึงจะรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านการที่เราพิจารณา อยู่เนีน่ยแล้ ว, ต, แแลวต้องแก่แล้วต้องเจ็บต้องถ่ายนี่มันก็ยังเป็นเพียงเพื่อเตือนใจเราไม่ให้ลืมเนี่ยแค่เวลาที่เราต้องเจอของจริง น, นมันมันคนเร็วเลยนะถ้าไม่มีบเบรข้าแล้วก็มันว่าทนไม่ไันมันจะดิ้ น, นยพยายามฝึกสตินั่งสมาธิอย่าอย่า อย่าไป ม, มองข้ามสติสมาธินี่เป็นตัวที่จะช่วยสนับสนุนการต่อสู้กับกิเลสเลมื่อเราต้องใช้ปัญญาแต่ก็ไม่ก็ไม่ต้องแต่ก็ต้องอย่าลืมปัญญาปัญญาก็คือตายแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงกิดแก่เจิตใยอนันตาไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะขุมมังภาพเขาไม่ได้ มันทำหน้าที่ต่างกันปัญญาสอนความจริงให้เรารู้เบกขาสมาธิสอนให้เรานิ่งเวลาเจอเจอเหตุการณ์ที่เราทำอะไรไม่ได้ันจะเข้าใจนะโอเคพอแล้วใช่ไหม เอาไว้สัปดาห์นะครบเก็บหอไว้งเดนไที่เด็กชาย้นโตะเด็กชายนั่งจะเป็นนายแล้วอายุเท่าไหร่นะเด็กนี้เป็นเด็กชายยังเป็นนาเป็นเด็กชายครับอาจารย์เพิ่งสิบยเป็นเสิบกี่หลายสิบสามเนอะสี่ครับผมสี่ครับจาเขาอเป็นนายเมื่อไหอายุเท่าไหร่เนี้ถึงเป็นนายไม่แน่ใจอครับ โอเคไม่เป็นไรหลานใช่แต่เราเข้ามาห้องนี้ในในะะนได้แล้วว่าต้องเป็นนายนะห้องนี้ห้องห้องเล็กเองเนาะคนที่อายุไม่ต่ํำนี่เขา้ามเข้ามาไม่ได้เอาผู้เรื่องของผู้ใหญ่แล้วอะู้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายรู้เรื่องอสุภะทำหั่นจันทร์ มีการมาอะไรมาส่งวหรอก็มีสภาวะธรรมะารงานครับผมอาจารย์พอเราฝึกเจริญสติครับอาจารย์มันปรากฏว่าใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆมันเหมือนหวบดิ่งหวบดิ่งอยู่แบบ เสมอเสมอพอมันห่วงไปเรื่อยๆพอมันมีเหตุการณ์อะไรหรือเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันมันเหมือนเราถอยห่างออกมาดูร่างกายทํางานแต่เราอยู่นิ่งๆครับผมไอตัวเราข้างในมันอยู่นิ่งร่างกายจะทําอะไรก็เรื่องของมันปล่อยมันทําไปมีอารมณ์อะไรมาเราก็เห็นชัดขึ้นครับพันจัมปล่อยวางได้ไหม ปล่อยปล่อยวางได้ครับผมพระอาจารย์<ม>แล้วก็พอเห็นอารมณ์พวกนี้มาเราก็จะน้อมสู่ใจลึกครับว่ามันมาแล้วก็ไปมันมาแล้วก็ไปก็จะไม่ไปยึดกับอารมณ์ที่เข้ามาครับอ<ม>าจารย์ ค, ครับอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ครับผมโดนลองฟูมทำอีกแล้ว อ, อยู่ๆก็มีคนมาถามผมว่าในศาสนาพุทธเนี่ยคําคําว่าคนดีเนี่ยคือไง ผมก็เลยตอบเขาไปด้วยสติปัญญาที่มีว่าแบบว่าคือคนที่ไม่ทำใครเดือดร้อนอยู่ในสีนด้ทำครับผมอาจารย์คราวนี้เขาตอบคนดีือคนคนที่ทำแต่คุณประโยชน์ไม่ทําไม่ไม่เป็นพิเป็นไัยกับใครครับอาจารย์คราวนี้เขาก็ตอบกลับมาว่าอ้าว นี้ก็มันไม่เรียกว่าคนดีสิมันก็เรียกว่าคนสันโดษที่ไม่ยุ่งกับใครเลยไม่เกี่ยวไม่ไม่เลยสันโดษเท่าไหร่คนดีก็ยุง่งก็ยุ่งกับทุกคนได้แต่แต่แตทนที่จะไปบูรีคนอหนื่อก็ไปช่วยคนเหนื่อคนดีจะช่วยคนเหนื่อยครับผยญคนที่ดูรีคนเหนื่อยเนี่ยเป็นคนไม่ดีครับาจารย์ก็ต่อไปประมาณนี้ครับผมรผจารย์อาจารย์คิดว่าคําตอบของผ ม, ผมโอเคไหมครับ ก็ตัวเราต้องเป็นคนให้คะแนนตัวอะไรเจียมกับสติปัญญากูบาจารย์สู้ไม่ได้เลยก็เลยต้องถามกูบาจารย์วยก่อนก็ความดีก็คือการกระทาที่มันเป็นกุณเป็นประโยชน์ไม่เกิดอุบัติแทนนี้การทำสิ่งที่เสียหายมันจะไปเรียกว่าเป็นคนดีได้มะไปทำลายข้าวของ คนนั้นคนนี้อาารย์รดูที่คําว่าศีนห้างอะไรคนดีคือคนที่รักษาศีนห้างได้คนที่ไม่ดีก็คือคนอยังที่รักษาศีนห้าไม่ได้ยังทําบาปอีกก็มีสภาวะประมาณนี้ครับอาจารย์แล้วก็พยายามพิจารณากายให้ต่อนเนื่องครับรอาจารย์แต่คราวนี้พอเราพิจารณา พิจนาอสุภะเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งที่มันขึ้นมาด้วยก็คือเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายว่ามันมันไม่ใช่ของเรามันไม่แน่นอนเดี๋ยวมันสามารถแก่เจ็บตายได้เราไม่สามารถควบคุมได้มันจะเห็นตัวนี้ชัดกว่าตัวอสุภะครับผมพจดจันก็มันเก็ต้องคนละตัวไงเมื่อได้ตัวหนึ่งแล้วก็ต้องไปเล่นอีกตัวหนึ่งให้มันเห็นชัดเป็นสองตัว ว่ามันเป็นยาคนละชนิดกันเรามาแก้ปัญหาคนละชนิดกันก็ต้องพิจารณาสองอย่างไปควบคู่กันก็ยากพิจารณาแล้วไม่เทียบกันดูความแก่เจ็บตายส่วนความไม่สวยไม่งามก็ดูเพื่อรับกรรมมาลงส่นวนการเจ็บตายนี้ยเพื่อรับความกลวมัวตายกลัวความแก่กลัวความเจ็บเหมือนคนละเหมือนคนละชนิดกัน ปันจานแต่ก็ต้องเรียนทั้งสองอย่างทัง้งสองต้องแต่เวลาใช้มันใช้คนละคนละอย่างกันเวลากลัวตายเนี่ยเราคิดถึงว่าต้องตายนี้ไม่พ้นความตายเมื่อเช่นตัวเราไม่ต้องไปกลัวไม่อช่นตัวเราแต่ถ้าไปเห็นแฟนเขาเห็นเห็นใครสวยๆเอ ง, งาแล้วอยากจะได้เขามาเป็นแนายก็ต้องคิดถึงโค้งก็ถดุมเขา ถึงกับตายใช่คุณคนละเรื่องกันคู่มือกายคตาสติของหลวงตาบัวนี่สุดยอดเลยครับได้ไป ด, ดูมาแล้วไนะด้ดงมีอยู่แล้วมีมีครับผมพระอาจารย์ช่วงนี้ก็กำลังจะเริ่มอ่านครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ใช้ดูภาพในหนังสือครับทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อไอ้นี่ร่างกายตอนนี้มัน สกปรกเห็นเน่าแค่ไหนครับผมพระอาจารย์แต่ก็ได้ไ ม, ไม่กลัวครับไม่กลัวอืดูได้ดู ใ, ใจไม่ไม่รู้สึกไม่ไม่รู้สึกอะไรอ่ ม, อมอเฉยอนะก็พยายามที่จะจ้องมันบางทีเกิดก็จ้องมันไปเรื่อยๆจ้องรูปศพอะไรพวกนี้แล้วก็นึกนึกถึงภาพศพนั้นไว้แล้วคราวนี้สิ่งโจทย์ที่พยายามทําก็คือ ถ้ามันมีอะไรที่เข้ามากระทบแบบเห็นโอ้ยคนนั้นสวยคนนั้นไหลเราก็พยายามเึกภาพโครงกระดูกหรือว่ากายคตาสติที่เรียนอาจารย์เป็นต้นครับพยายามดูบ่อยๆให้มันฝังใจเวลาเห็นอะไมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเลยเวลาเห็นอะไรโอกาสอารมณ์นี่ละใกล้ๆมันโผล่ขึม า, ขมาดับเลย พ, พยายามปฏิบัติครับผมอาจารย์ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับผมอาจารย์ คุณยายเป็นยังไงบ้างคุณยา ย, ยไม่ไท้าทายกันเลยก็มาแล้วได้ตื่นตั้งอยู่เสมอเลยนะคะคุณยายก็ได้ตึ่ความใยเรื่อยๆ น, น ะ, ะ, ะมันใกล้เข้ามาแล้วจะใกล้จะถึงแล้วล่ะค่ะใกล้จะถึงฝั่งมาะแต่ไม่น้องตื่นเต้นมันเป็นเรื่องธรรมดามเรื่องของร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายออขอบคุณค่ะค ถึเวลาก็ทิ้งมันเองถึงเวลามันขอลาออกคนร่างกายเป็นคนรักใชยเราเราเป็นได้มันันให้เวลาไปบอกขอลาออกจากงานแล้วลาเข้าไปเราไปแยกทาง น, นถ้าเรามีธรรมะมีสติมีพุโทโธเราก็ไม่ต้องไม่ต้องมีร่างกายกันดนะ้เราก็อยู่ได้ละทั่องอย่างนี้ลคะคทังทำ โอเคนะขอบพระคุณความเมตตาของพระอาจารย์ไหนก็ไหนก็ขอให้อยู่ไปนานๆนะอยเกินร้อยเลยนะขอผมด้วยสิครับพระอาจารย์เร้อคู่เหรอแต่เรามันยังอีกไกลสาธุขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงครับผมสาธุไปที่เป็นหมอพิเชษเช่นกลับมาแล้วเหร ก, การพิธีการพระอาจารย์ครับก็กลับมาได้ประมาณห้าวันนลครับได้น้อมนำคำสั่งสอนพระอาจารย์ไปปฏิบัติเพื่อไม่ไม่ปล่อยให้อารมณ์เลื่อนไหลไปตามสิ่งต่างๆครับแล้วก็ได้มันศึกษาแล้วก็ปฏิบัติทมทุกวันครับพระอาจารย์ทาง a ฟ e b o o k ของพระอาจารย์การเดินทางนี้มันมีผลกระทบต่อจิตใจเรา่ากมายไ้ มันก็ทําให้เหนื่อยครับอาจารย์แล้วก็ทําให้เวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมบางครั้งมันสิ่งมาร้อนมันไม่เอืึองหนวยก็อาจจะทําได้ลําบากขึ้น<ม>ครับอาจารย<ม>์แล้วก็ก็ฝึกนั่งสมาธิตอนเช้ามืดทุกวันแบบว่ า, แาสมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็นต้องต้องทําทุกวันครับอาจารย์ในลาลักษณสระผมนักปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งนวลทบุญได้ เคยปฏิบัติเวลาไหนก็ปฏิบัติเถ้าเราทำทาได้ก็ไม่มีอุปสรรคก็ได้อ่านเฟซบุ๊กของพระอาจารย์ทุกวันครับแล้วก็<ม>ในการศึกษาข้อธรรมะได้ทุกวันไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามครับอาจารย์อืดีครับมีธรรมะมีมีปัญญาสมาธิดีไปหล่อ เ, เลี้ยงจิตใจปัาบลงก็จะมาหลอกเราไม่ค่ได้ วันนี้จะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายโมหะอวิชชาครับพระอาจารย์อันนี้ก็โมหะก็คือความเห็นผิดเป็นชอบอโมหะอวิชชาก็ตัวเดียวกันอวิชชาก็คือการไม่เห็นความจริงเห็นเป็นเห็นไปเห็นความความไม่จริงความไม่จริงก็คือเห็นผิดเป็นเห็นตรงกันข้ามความเป็นจริง เห็นเว่าสิ่งนั้นสิเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นนิจจ์สุขขัอัตตาเราจะเห็นนด้วยนะเห็นนั่นนั่นก็ดีเห็นนี่เห็นลาบดุสันทเสสุขว่าเป็นเป็นของดีเป็นให้ให้ความสุขกับเราเห็นทุกเป็นสุขจริงม s นเป็นทุกเพราะไม่เที่ยงแต่ก็ไม่เห็นว่มไม่เที่ยงที่ว่ามันเจริญเท้าวอเห็นว่าเป็นของเรา จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆแบบนรับจริงมันจะจากเราไปเมื่อไหร่เราไม่มีใครรู้นี่นะแบบ ม, มัวเห็นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เห็นความเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นเห็นความเป็นตัวตนเป็นของเราว่าในสิ่งที่ไม่เห็่ตัวตนไม่ใช่ของเราเช่นร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายนี้ไว้ก็ไม่เทียมร่างกายนี้มนันเป็นตัวที่ทำให้เราทุกเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตาย น, น, นี่เราึต้องใช้ปัญญาสมาธิของพระพุทธเจ้ามาคอยแก้มาคอยอคอยกำจัดความหลงที่มันยังครอบงำจิตใจเราเนี่ย โยมคิดว่าความทุกข์ของโยมที่เกิดขึ้นมาในอดีตต่างๆก็เกิดจากโมหาวิชาครับอาจารย์ซึ่งถึงแม้เราจะเรียนสูงมีความรู้มากแต่เราก็ยังยังเอาวิชาคืองโง่ต่อความเป็นจริงของชีวิตครับอาจารย์อดวิชาทางโลกไม่ ไ, มได้ทําให้เราเห็นความจริงของสัญธรรมความจริงของชีวิต ได้มาศึกษาแล้วก็ทําให้เข้าใจดีขึ้นแล้วก็ทําให้ความทุกข์ใจต่างๆน้อยลงอาจารย์ความหลวงพ่อใหแล้วเกิดความอยากอยากได้เนั่นอยากได้นี้เพราะคิดว่ามันเป็นสุขนี่นี่นี่ว่ามันมันดีมันให้ความสุขของเราซึ่งมันก็ให้ความสุขของเราชั่วคราวชั่วระยะต้นๆเวลาได้อะไรมาก็มีความสุขแต่สักพักเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมมันเปลี่ยนไป อยากดีก็กลายเป็นของไม่ดีไปของเสียไปพอมันเป็นพอมันเปลี่ยนไปความสุขที่ได้ก็เปลี่ยนไปจากสุขก็เลยกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเราจะเน่าคอยพยายามดูมความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างจาตบอกทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งหรือแล้วดับไปเป็นธรรมดาอย่าไปหลงคิดว่ามันจะ เกิดขึ้นแล้วมันจะตั้งไปตลอดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องดับไปมันต้องเสื่อมมันต้องเปลี่ยนไปอนนี้จากอนัตตาเราไปห้ามไปบังคับมันไม่ได้มันเป็นภาวะธรรมเป็นภาวะทางธรรมชาติถ้าเราไปอยากให้มันไม่ไม่เสื่อมไม่ไม่ดับไม่เปลี่ยนมันก็จะทําให้เราทุกข์เมื่อมันดับเมื่อมันเสื่อมเมื่อมันเปลี่ยน เน่ยต้องเห็นตายรักถ้าเห็นตายรักมันก็มันก็ดับความดับควาวิชาดับดับโมหะได้แต่ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวแต่ไม่มีสมาธิเหมือนก็ดับไม่ได้เพราะไม่มีกําลังไม่มีกําลังที่จะไปหยุดความอยากต้องฝึกสมาธิให้มีเวคาแล้วพอปัญญาเราว่าหยุดความอยากมันก็จะหยุดได้ เข้าใจ น, นะเข้าใจมากขึ้นเลับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับเมื่อกี่เราลองให้มองให้เห็นใจล้วก็คือของภายนอกร่างกายเราไปเร่องลาบยศสารสริและความสุขทางตาหุ่นจำลองยิ่งกายต้องละโลกธรรมสี่ตัวนี้ให้ได้ก่อนแล้วไดแล้วก็มาล้างขันหา้าร่างกายแล้วความรู้สึกนึกคิดก็คือเวทนาความรู้สึก แล้วมันร่างกายจะแต่จะตายก็ต้องปล่อยวางยอมรับเวทนามันจะทุกข์ก็ทุ ก, กข์ก็เวทนาขึ้นมาก็ต้องก็ต้องรับมันแล้วกนะ็ปล่อยฐานะได้มาปล่อยฐานะได้แล้วก็มาปล่อยอสุภะปล่อยการอารมณ์แบบยังไปติดร่างกายของคนอื่นยังเห็นว่าสวยบางนาง เราพิจาราสาสิบสองดูว่าสุภาษิตสร้างศพในแบบ น, น, นี้ในว่านาการนี้ในที่สุดแล้วมันก็ไม่น่าดูไ น, น่าชมเลยโดยเฉพาะอาการต่ต า, ต า, มม า, ร า, างๆภวิยัตว า, าต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนมอกค็เรียนอนาตอนนี้ควจะรู้เป็นผ่าศพเป็นอะช่นสพบพนี่ต้อไสิ่งนี้นเรน า, น า, ต, ราเ ต, ต้อ ง, งเองนินอยู่บ่อย แล้วต่อไปการมันลมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้หรือ <c oughs> ถ้าเกิดเราก็นึกถึงเหมือนปั๊บมันก็บบนดับมันได้พอผ่านอนเรื่องควมสวยงามปล่อยวางเรื่องความความราคาฐ า, ฐานะหน้ามันก็ไปแต่ปล่อยที่จิตอีกทีจิตยังมียังมีอวิชาครอบงำยังคิดว่าจิตเป็นตัวเราของเรายังมีมา น, นะยัง เด็กกับพันธุ์สักที่ได้จากพันธุ์สงบของสมาธิอยู่เราต้องปล่อยหนึ่งทีนไปให้จิตมันเป็นไปาตามธรรมชาติมันจะสงบบก็งสงบ ไ, ไม่สงบก็ไม่เป็นไรถ้าเรารู้ทันและเราไม่ไปยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รับก็จะไม่ทุกขนันนี่คือการปล่อยวางทุก อ, อย่างเป็นไปแล้ว แต่ไปทำมาณาตาสามเณรสามสังฆาราณิจารสมาณสามฆาราดุขาไปทำมานาตามื่อตอนเไาปล่อยไปลาบก่อนปล่อยลาบยศสารเสร็จสุดไปคนนั้นคนนี้แล้วก็มาปล่อยร่างกายปล่อยความเจ็ะ ปล่อยว่างพักเจ็บปวดถึงร้างกายแล้วก็มาปล่อยปล่อยจิตปี่ไยสุดเขปล่อยการอารมณ์แล้วก็มาปล่อยปล่อยตัวจิตเทียงรลุ่มหลองอย่างคิดว่าีเป็นตัวเป็นตนอยู่ใอ้รู้ว่าจิตก็เป็นเพแค่ตัวรู้เท่านั้นนอกนํานไปปฏิบัติก็ไม่เจริญ ค่อบัสรไปได้คุณสาธกาต่อสาธกาเป็นไงที่บ<ะ>้านสงบดีไหมดีครับอาจารย์มันอยู่ตรงนน้นก็ก็คือปกติอะลูกก็จะอยู่แต่ในห้องอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยอยู่เดี้ยมันไม่มีคนมาวุ่นวายลูกชอบอค่ะพอคุยมากมันก็ มันมันต้องใช้มันรู้แบบเดี๋ยวกระตุ้นกระตุ้นคุยแล้วลูกไม่ค่อยชอบลูกชอบแบบนี้บรรยากาศมันใช่เหมาะกว่านะมันเวงเวงเวงกว่านะความเป็นธรรมมันคือมันเงียบมากมันไม่ต้องอะไรเข้าก็ง่ายแบบแล้วเราก็ไม่ต้องอะไรเราก็ทําตามที่พระอาจารย์บอกอ่ะค่ะก็ปฏิบัติมันก็คือสิ่งทํามันได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่อยู่คนเดียวเราก็ นั่งสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือจเจริญปัญญาฟังธรรมเพราะปกติลูกก็ประมาณนี้แต่ว่าอเผอิญว่าถ้าอยู่ตรงนั้นนะคะลูกก็จะมีเวลาออวันไหนลูกลูกก็จะหน้าที่ของเราที่เราจะไปดูแลพ่อแม่พ่อของเราเราก็ไปแล้วเราก็กลับมาแล้วก็จะอยุดเนี่ยที่พระอาจารย์สอนให้ทำไปก็คือนั่งสมาธิ กลับมาเราก็ น, นั่งเพราะลูกไม่ค่อยมีงานอยู่แล้พอแฟนแฟนลาออกเนี้ยค่ะลูกก็จะอยู่แต่ในห้องแฟนเขาก็บอกว่าบางทีแบบลูกค้าคนไข้ที่เขามาซืริยาเขาก็นึกว่าเลิกกันพอาม่รู้เลยเข า, ก, า ก, ก็บอกว่าฉันจะพูดอย่างอย่างเงี้ยเขา ก, ก็แบบเหมือนถามถามถามแบบเหมือนลูกหายไงค่ะ แต่ลูกว่าหยุดแต่ในห้องถ้าสมมติว่าลูกจะออกมาก็คือลูกก็คือแค่แบบซื้ออาหารให้แฟนซึ่งเขาก็ซื้อเองลูกก็เลยแบบตั้งแต่แม่ตายลูกเลยว่างมากลูกก็เลยมันก็เลยมีเวลาแต่ทีเนี้ยลูกไอ้เกี่ยวกับพวกอารมณ์พวกจิตอะลูกว่ามันคงแบบเหมือนที่พระอาจารย์สอนนะคะเพราะฝึกไปมากๆะค่ะมันก็เลยแบบ เหมือนใจเรามันนิ่งขึ้นแล้วเราจับอารมณ์ได้อย่างที่ลูกเคยบอกพระอาจารย์ว่าที่ตอนนั้นที่ลูกบอกว่าลูกที่แฟนดีอ่ะลูกร้องไห้แต่ว่าลูกอ่ะก็คือรู้ว่าลูกเจ็บแต่ว่าลูกไม่ได้ยันนั้นเข้าไปในห้องเนี่ยลูกไม่ได้ว่าลูกโกรธอะไรนะพระอาจารย์ลูกนิ่งแต่ลวดจะให้เขารู้ว่าได้ทําอย่างนี้ไม่ดีและลูกก็จะให้คาโหยไว้อย่างเงี้ยจนเช้าลูกถึงแบบมาบอก เขาแค่นั้นเนี่ยคือมั น, นมันอันใช่เป็นการส่งสัญญาให้แล้วว่าไม่คายว่าอะนใช่ว่าไหนที่เราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยลูกก็เลยมานั่งคิดว่าตอนแรกอะ่ะแต่ก่อนอะ่ะคือถ้ามาที่นี่อ่ะคะ่ะลูกก็เออแบบเหมือนให้เขามาส่งจริงๆอะ่ะลูกอะ่ะตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเขาก็คือคงแบบ เขารู้ว่าลูกเป็นคนชอบความเงียบอยู่แล้วเขาก็คือว่าเขารู้ว่าลูกสามารถอยู่ได้ทีนี้เขาว่ากลัวว่าเขาก็มาได้แต่ห้ามบวชแต่ลูกก็เออฟังจากที่พระอาจารย์เราทําได้ที่บ้านอะไรอย่างนี้มันสบายอยู่แล้วเออแล้วลูกก็เลยเอ้ยลูกเคยถามเ้าเขาบอกว่าเขาแบบ นั่งสมายที่ไม่ได้คือเขาก็คื อ, อยังทางโลกอยู่เขาชอบดูอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้คนชอบเที่ยวแต่เขาชอบดูบอลแต่ลูก่ตอนหลังพอลูกมาอย่างเงี้ยค่ะลูกพยายามดึงว่าเออลูกไม่ว่านะถ้าจะไปดูอะแต่ลูกไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยพออันเนี้ยบางทีเขาก็จะไม่ค่อยได้ไปละเพราะเขาจะแบบเธอไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกบอกบางทีไปอะค่ะมันคนละแนว mm hmm. แต่ก่อนลูกแบบ เออตอนที่ยังไม่ไม่แบบยังยังไม่ได้มานั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปตามพอตอนหลังมันก็เออแบบลูกก็ใช้ว่าเออถ้าเขาอยากจริงลูกก็เอาสาวไ อ, อ้หูฟังไปฟังเทศอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่พอตอนหลังลูกก็บอกว่าเออลูกก็ไม่ค่อยชอบแต่เขาก็คิดตามๆพอตอนเนี้ยลูกคิดอุบายว่าอย่างเขา แบบเหมือนเข า, ามีฟิกไอเดียไว้ว่าตอนที่เขาบวาชพระจ่าตอนนั้นน่ะเขาบวชในไอ้แบบเหมือนวัดมันเป็นวัดบ้านไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่วัดป่ามันเป็นวัดบ้านมันก็เลยมันไม่มีคนที่แบบปฏิบัติไอ้เขาเห็นที่มันอันนั้นเขาก็เลยรู้สึกฟิกไอเดียลูกเขาบอกว่าให้ไปแบบดูแบบเราก็ไม่ต้องไปแบบอันไหนที่มันไม่ดีอะเราก็าไม่ต้องเลือกเร า, าเลือกได้ว่าเราจะไปตรงไหน เออแล้วทีเนี้ยลูกก็เลยเออถ้าเขาไม่ชอบอันนี้ลูกก็เลยดึงดึงมาว่าถ้ามาส่งลูกอ่ะเอาให้มาส่งแล้วมาทําบุญดีกว่าลูกก็เลยมาขางและเช้าให้เขาทําบุญแล้วก็มาส่งอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ค่อยค่ อ, คอปักไปเรื่อยๆค่ะเหมือนดึงค่อยค่อยดึงงบเข้ามาถามเราใช่ลูกก็เลยใช้อย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าลูกก็แบบเหมือนถามถ้าเขาลูกก็ไม่บังคับแต่ว่าถามเขาบอกก็ เขาไม่ได้อ่าแต่ลูกก็แบบเหมือนใช้เหมือนที่บอกพระอาจารย์นะคะลูกก็แกล้งเข้าไปในเฟซบุ๊กเขาแล้วลูกก็ไปกดเพจพระอาจารย์เนี่ยเขาก็จะเห็นพวกธรรมะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกก็จะแบบประมาณอย่างนี้เหมือนแบบค่อยๆไปเรื่อยๆแต่เขาฟังหรืเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่า<ก>งถ้าเขาไปทําฟันเขาก็จะบอกว่าอุยตื่นเต้นลูกก็บอกให้พุทโธพุดโธรขเขาก็ทําตามเพราะว่าถ้าสมบูริ์ว่า คุยกันอย่างเงี้ยถ้าเขาเห็นลูกเงียบ่เขารู้แหละเพราะลูกอะ่ะจะเหมือนที่พระอาจารย์สอนคือลูกอะ่ะส่วนมากแบบก็จะพอเงียบลูกก็แบบรู้ลูกไม่อยากแบบไปทะเลหลือไปอะไรเหมือนตอนใหม่ๆค่ะตอนฝึกใหม่ๆที่พระอาจารย์บอกอะ่ะค่ะให้พุทโธพุทโธพุทโธลูกก็จะพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยพอเขาเห็นเงียบเขาจะรู้เพราะว่าตอนแรกเลย ที่ฝึกแรกๆเลยตอนแรกเขาบอกหูต้องขนาดนี้เลยเหรอคือลูกพุทโธตั้งแต่แบบอุทัยมายันนี่เลยตอนแรกๆนะคะ่ะตอนหลังก็อาจารย์มันเหมือนหายหรือปะหรือมันมันแต่ว่าสติมันก็โอเคขึ้นแต่เหมือนมันพุทโธเราหายไปถ้ามันได้กลับไปต้องพุทโธกันแล้วอ๋อค่ะค่ะทีนี้ลูกก็แบบ จะตามที่พระอาจารย์สอนนะคะก็อยู่ในพวกทานศีลภาวนาแต่ทีเนี้ยพระอาจารย์เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตรเราจะเป็นยังไงบ้างเราต้องไปเจออะไรบ้างซึ่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเราก็ต้องปักไปเรื่อยๆใช่ไหมคะะาอาจารย์เหมือนฝึกดึงสติไปเรื่อยๆๆเรื่อยเรื่อยแต่เราก็าคือเราจะไปที่ยวกับอะไรอย า, ากรูป ลูกก็ประมาณอย่างนั้นแล้วก็เหมือนในสมองเราพอเราแบบมาอย่างเนี้นะคะ่ะพระอาจารย์มันก็จะคิดแต่แบบพออะไรปุ๊บเราก็จะเหมือนนึกไปรักแล้วเราก็จะไปแบบแต่บางทีอารมณ์มันก็คือพระอาจารย์เราต้องฝึกจนอารมณ์เราเนี้ยมันไม่มีหรือว่ามันมีได้แต่เราแบบเหมือนมันตึ๊กแล้วเราอยู่กับมันแค่นั้นเราจะต้องฝึกอย่างนั้นเลยให้ใ ห, ให้คือแต่เราลักทันนะคะ ก็ให้มันรู้ทานอารมณ์แล้วก็ถ้ารู้ทานอารมณ์มันลงมันก็ระดับไปเพราะว่าลูกคิดว่าบางทีมันมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่เรามันมันคนเรามันจะคิดมันอะไรแต่เราเราไม่ได้ไปเครียดไปอะไรเราเฉยเฉยมันคือมันมันนิ่งขึ้นเรารู้ว่าค่ะพระอาจารย์อย่างนี้เราก็คือไปเรื่อยๆแต่วันเนี้ยเขาก็พูดมาว่าแบบเหมือนว่า เนี่ยอีช่วงเที่ยวนี้ลูกที่ลูกที่ลูกบอกพระอาจารย์เนี่ยที่ลูกมาคือพอเวลาถ้าเขาแกล้งลูกเราก็แบบเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ลูกก็สายอุบายว่าพอแกล้งลูกก็ลงไปแบบอย่างนี้ค่ะเหมือนแบบ <Okay. S 2> เราก็จะได้หาทางอมาด้วยไป่ไงั้นเขาก็จะไม่ยอม <c oughs> <c oughs> ลูกก็ใช้แบบระบบอย่างนั้นดี <Okay. S 2> ดีกว่าค่ะค <Okay. S 2> ่ะ <Okay. S 2> พระอาจารย์ค่ะคําต่อไปนะพยายามอย่าให้มันฟุ้งมาแล้วกันเอาไม่ได้ ให้เงี่ยงให้สงบค่ะโอเคสาธุอาจารย์ึรมพิไเชิญอาจารย์พี่แสงกรลกคูนเดินากันคะาร่วมอาจารย์ค่ะอ่าเาจาพรอารสบายดีนะฮะอ่าตัวอย่างเนียไม่เป็นอะไรนะอ่าเรียบร้อยนะดูสดชื่นนะพระอาจารยังเดินรับบาต วันนั้นตั้งหกหกร้อยคนนี้เดินตลอดนะคะหรือมีพักไหมเดินวันนั้นินเกือตลอดพักพักอยู่ทักงวัใช่ค่ะเพราะว่าดูค่ะชั่วโมงครึ่งวันนั้นชั่วโมงครึ่งดำเนินบาตรชั่วโมงครึ่งวันวันพระใหญ่นะคะอืมนอนไม่ช้าครับสมุชาก็ฟังเทศทั้งสามวันนะคะก็ดูเดือดดี <c oughs> ดีครับตอนเนื่องต่อนเนื่องแบบทําให้ผู้คนเข้าใจทั้งหลายเข้าใจได้อะไรได้เยอะนะคะหนักหนักนี่ก็มีหนักบา้านเบาบ้างแล้วแต่แต่ทําที่เราพูดระดับสูงมากระดับต่ำมากระดับการบ้างแต่ดาวอย่างเดียวเดียวมันจะนน เ, เบื่อันี่ยนีอะไรต้องสลับเปลี่ยนรสชาติ ต่ฟังแล้วก็แบบรับเอาไปนพิจารณาได้เยอะค่ะโอเคค่ะไ ม, ไม่มีค่ะมังกรไมเช่อค่ะอ๋อจะมีฝากเพื่อนทำบานีไปใส่บาทค่ะเพื่อนเพื่อนทำมาคะวันวันเสาร์ค่ะจะสาธุจะมุนทนาคกนกระสเดด นคนณัศยเดยเนะ ค, ค, ครับอะไรคนกัศเดชไม่ยไม่เป็นกัศเดชผมผมเรียบแล้วฮะโอเคพูดได้เลยฮะอ๋อกับนิมมสการพระจัก อ, อไม่ไม่ไม่อ๋อค่ะพระอาจารย์ค่ะยอโยอมยอมยอ ม, มหญิงค่ะพระาอาจารย์ค่ะเขาเขาเป็นพระา<ข> อ, อระาจารย์ใชเื่อ <MX. S 3> ข, ของคนเดินนะ ใช้ค่ะใช้เครื่องของลูกเขยเจ้าค่ะค่ะ mm hmm. พระอาจารย์คะมาก่าพระอาจารย์ค่ะช่วงนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็วันนี้โยมไปโรงพยาบาลไปทําซีทีสแกนฉิดเสียค่ะโยมพอเข้าไปถึงโรงพยาบาลมองไปมองมานึกถึงคําสอนพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่ามันก็มันึกถึงคำที่อาจารย์สอนว่าเออ รถกับคนขับรถนะคะ่ะโยมก็เหมือนเวลาเรานอนมันก็เหมือนตัวเราเป็นเป็นรถนะคะพระอาจารย์แล้วเหมือนจิตเนี่ยเป็นคนขับรถแล้วเหมือนว่าร่างกายมันเสียแล้วก็ต้องไปซ่อมแล้วพวกหมอพยาบาล น, นี่ก็เปิดคือเป็นช่างเป็นเป็นช่างซ่อมอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็โรงพยาบาลก็เหมือนอู่ซ่อมรถมองเป็นอย่างนี้ไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์แต่ก็ก็คําสอนพระอาจารย์มาล้วนๆเลยเจ้าค่ะอดี๋ยวเราไปขอนถามแล้วก็ ใ, ให้ใหชาติซ่อมไปใช่ค่ะพระอาจารย์เหมือนทุกอย่างชัดมากเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะมันมองเป็นภาพเลยค่ะไม่ต้องไปตื่นต้นตกใจครับ ไ, ไม่เลยค่ะพระอาจารย์ก็ที่ตอนข้างนู้นเลยค่ะน่าจะประมาณเมษาที่โยมหนิงบอกบอกพระอาจารย์ว่าโยมหนิงเป็นหมอข้ฟันทงว่าเป็นเป็นนักอกที่ปอดที่ว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมะเร็งระยะสองะค่ะปรากฏว่าประธานก็หายพอหาย พอหายเสร็จใช่ไหมคะปรากฏว่าตอนระหว่างที่เราไปทําไปไปไปซีทีที่ต่อนะคะพระอาจารย์เหมือนก็แอบไบปเห็นไอต่อมหมวกไตว่ามันผิดรูปเพราะผิดรูปหมอหมอเขาก็เลยตามต่อเนื่องะคะ่ะพระอาจารย์พอตามต่อเนื่องเสร็จหมอเขาก็เลยนัดทําซีทีอีกรอบหนึ่งพอมาวันนี้ซีทีหมอหมอเขาก็ค่อนข้างฟันธงว่ามันมันโตพระอาจารย์มันโตนมันโตมั น, มนประมาณหกเดือนมันโตสองมิลสองมิลสองมิลตลอดเลยะคะ่ะก็ ก็มอคุณหมอบอกว่าแล้วแล้วพอดูจากทรงแล้วมันมันเป็นเนื้อมากกว่าไขามันก็คุณหมอ ก, ก็เลยนัดว่าประมาณวันอังคารหน้าค่ะนัดนัดคุณหมอสันแล้วก็น่าจะน่าจะตัดต่อมออกไตออกข้างหนึ่งนะคะพระอาจารย์ตองเป็นไปตามสภาพใช่ค่ะแล้วหมอก็เนื้องูอื่นก็เฉยๆนะคะพระอาจารย์อะไรจะเกิดก็เกิดเฉยๆล้วห้ามมันไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเราคิดว่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไป ใช่ค่ะพระอาจารย์เฉยมากจนมือก็กลับขอบพระคุณคําสอนพระอาจารย์ค่ะยมปฏิบัติต่อดวยมสึกว่ามันสุดยอดค่ะมันวิเศษมากๆเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะมีไหวใจก็ไม่มได้เปลีป่ยนแปลงอะไรใช่ค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะแต่ยมก็ช่วงนี้ยมก็ทําบ้านที่หน่วยห็นแล้วยมก็เป็นบางครั้งเวลานั่งปฏิบัติภาวนามันก็ยังฟุ้งนิดๆแต่ค่ะบางทีเราเราดูลมอยู่พอดูลมสักพักเราก็จะเอ๊ะจะปลูกต้นไม้อะไรดีเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยค่ะแต่ยมก็ดึงกลับมาพอ พอเราทำสมาธิพอจิตมันไปเราก็รู้ว่ามันมันหลงเราก็ดึงกลับพอรู้ว่าหลงเราก็ดึงกลับก็ก็ทำอย่างนี้ตลอดค่ะแต่ว่าความคิดคือรู้ไวพระอาจารย์คิดอะไรรู้หมดหลงไปรู้ดึงกลับหมดรู้ตัวตลอดเวลาเจ้าค่ะท ำ, ท, ท, ำ ท, ทำให้น้อยทำเท่าที่จะเป็นอะไรทีจะเป็นอย่างไปทำมันใช่ค่ะเป็นก็อย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะขัดกับคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละแต่เรากำลังจะสร้างขึ้นมา จริงอย่างพระอาจารย์เลยค่ะกับนักมาตรการพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์ในคําสอนพระอาจารย์นะเจ้าค่ะพรอาจารยักษาท่าขันนะคะไม่หยไม่โยมไปกับพระอาจารย์อีกค่ะสาธุแต่พระอาจารย์เจ้าค่ะคุณหมอพระศาสนากับการนมาตรการค่ะพระอาจารย์การที่ที่แล้วก็รู้สึกว่าเบาแล้วก็ค่อยๆปล่อยไปปล่อยทุกอย่างเพรเห็นเห็นสมมติแล้วก็รู้สึกว่าเออมันค่อยๆปล่อยได้ง่ายขึ้นเรื่อยพระอาจารย์ แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่ได้เข้าซูมนะคะเพราะว่าไปหลวงปู่เจี่ยไปวัดค่ะ <ไป S 1> แล้วก็คพระอาจารย์มีอะไรแนะนํำไหมคะก็สติเลยไปสติเลยอย่าไปหาเรื่องของคน ด, นด้วยคนนี้ค่ะสติแล้วก็ปล่อยวางทำหน้าที่ของเราไปพระอาจารย์ครมีความรู้สึกว่าเอ้เคยฟังที่หลวงตาพูดเรื่องพอเราทําปฏิบัติไปเรื่อยๆ มันจะไหลลงสู่แม่น้ําทะเลหลวงแต่ว่าเหมือนกับมันจะเป็นธรรมธาตุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์คือตอนนั้นไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้มันพอจะเข้าใจว่ามันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์เราก็ไม่ไม่เข้าใจความหมายท่านพูดหมายถึงอะไรมันก็มันก็ไหลไปสู่นิพพานนะมันไม่ไป็นไรเราปฏิบัติแล้วก็ทําไปเรื่อยเรื่อยค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวไปเราชิดนาเดี๋ยวให้ผมยังไงแล้วเดี๋ยวมาบอกนะพะอาจารย์เตรียมเตรียมพร้อมพระอาจารย์ค่ะ ไปที this, uh, ่ลอเอวิสาลอสแนเจลิสตน้รักษการพระอาจารย์ค่ะก็ไม่มีคำถามอะไรอค่ะช่วงนี้ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ mm hmm. พยายามนั่งนานให้มากขึ้นนะคะ mm hmm. แต่รู้สึกว่าช่วงนี้เวทนาที่เคยมีมันก็ข้ามไปได้อะคะ่ะปกติลูกจะอ่าแบบ เกิดอาการแบบปวดขาเหน็บชามากๆเหมือนขาจะหลุดนะคะแต่ว่ามันก็ข้ามไปได้บ้างส่วนใหญ่จะข้ามไปได้อ่ะค่ะก็พยายามนั่งมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เวทนาตัวใหม่มาะค่ะปวดหลังมากเลยค่ะพี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จัมก็ต้องอยู่กับมันนะคะก็ถ้ามันรักษาได้ก็รักษาไปถ้ามันรักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไป ค่ะพระอาจารย์สงสัยลูกจะนั่งมากขึ้นเผื่อถึงว่าตอนนี้จะพยายามนั่งมากขึ้นนะคะมันก็เลยรู้สึก ป, ปวดหลังมากๆนะคะแต่ว่าก็ต้องต้องอยู่ประมันนะคะตามที่พระอาจารย์สั่งสอนอแต่ลูกก็ว่าลูกก็จะต้องต้องข่ามันให้ได้อะคะ่ะพระอาจารย์แล้วลูกก็แก้โดยการลูกก็ที่อย่างที่บอกพระอาจารย์ลูกก็เดินจงกรมมากขึ้นแล้วก็ ทองเรื่องกเกิดแก่เจ็บตายอะค่ะพระอาจารย์อันนี้เป็นการเจริญสติและปัญญาคู่กันใช่ไหมคะพระอาจารย์เออเนการเจริญบัญญาสติค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์โอเคเดี๋ยวไปที่ค<า>ุณส<า>ุภัตาต่อค่ะขออะาธุาาาับนมัส ก, การพระอาจารย์เจา้าค่ะ วันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะอืมใ้สงสัยแล้วนะปฏิบัติเรื่อยๆเจ้าค่ะเราจะนำคำสอนของพระอาจารย์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเจ้าค่ ะ, อะตอนนี้นิวรนคือความง่วงเจ้าค่ะลูกลูกจะนั่งประอ่อบ่ายสามแล้วก็นั่งไปเรื่อยเรืเริ่มจะไม่ก็ไม่ได้ตั้งนาฬิกาเจ้าค่ะก็นั่งไปแต่ว่าช่วงแรกๆความง่วงจะ จะหนักมากแต่ลูกก็จะนั่งไปเจ้าค่ะก็สู้กับความง่วงก็รู้สึกว่าง่วงแต่ก็ไม่ได้หลับอ่ะเจ้าค่ะก็จนกระทั่งมันสะบัดรู้สึกว่าจิตมันสะบัดออกเองแล้วมันก็นิ่งไปอ่ะเจ้าค่ะแต่ว่ากว่ามันจะสะบัดก็ต้นนาเป็นชั่วโมงลูกเป็นคนสติน้อยค่ะใช่ต้องเชื่มันสชื่อกับความง่วงเจ้าค่ะบางที็น เดี๋ยมันก็ตื่นขึ้นมาเดี๋ยมันก็หายง่วงมันก็สงบเจ้าค่ะก็แบบรู้สึกง่วงมากน้ำตรงน้ำตาก็ไหลเป็นทางอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ประมาณเกือบชั่วโมงเจ้าค่ะแล้วก็มันก็สะบัดปุ๊บเลยจิตมันก็สะบัดแล้วมันก็มันก็นิ่งอ่ะเจ้าค่ะมันก็อยู่กับความนิ่งไปเจ้าค่ะก็นี่ทาไป แต่ลูกไม่ได้ไปลูกเดินจงกรมนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าลูกเดินมาแล้วแล้วพอเดินแล้วมันนั่งมันก็ยังง่วงอ่ะเจ้าคะ่ะลูกก็เลยก็เลยนั่งไปเลยก็ดู ก, ก็อยู่กับความง่วงอ่ะเจ้าคะ่ะตอนนี้ก็สังเกตมันง่วงง่วงมากเจ้าค่ะก็ฝึกไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะเรา ล, ลดการเป็นอาหารลงให้น้อยลงส่วนหนึ่กแก้ขความท <c oughs> ี่เรากินมากเกินไป อืมแล้วค่ะลดปริมาณลงออให้มันดีให้มันให้มันหิวบ้างาจะได้กินน้อยลงอย่าไปกินให้มันอีกมพอกินรู้สึกว่ามันไม่มันไม่หิวแล้ ว, ลวเราก็หยุดกินเจ้วค่ะเจ้าค่ ะ, อคะตอนนี้เวทนาลูกก็ก็มีก็ ก, ก, ก็ก็ไปเรื่อยๆอ่ะเจ้าค่ะก็ยังไปเรื่อยๆแล้วก็ลองลอ ง, ลองที่พระอาจารย์ที่พระอาจารย์แนะนําครั้งที่แล้วก็คือลอง ลองหยุดพุทธโทหรือบริกรรมมาเจ้าค่ะแล้วก็ดูลูกก็กลับไปกลับมาอย่างนี้อยู่เจ้าค่ะสติปัญญายังไม่เกิดเจ้าปัญญายังตัดไม่ได้เจ้าค่ะยังต้องใช้คําบริกรรมช่วยอยู่เจ้าค่ะลมหายใจช่วยอยู่เจ้าค่ะใช้ใช่ถ้าใจไม่ไม่อยู่มันพม่ยอมรับความจริงมันก็ใช้พุทธโทรพุทโทให้มันรับได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกจะฝึกไปเรื่อยๆเจ้าค่ะยังเพียรต่อเนื่องเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณดิสยาคุณแม่นราธิวาลที่ักสการพระอาจารย์ค่ะนักสการค่ะพระอาจารย์อมีคําถามประมาณตามคําถามค่ะตอนนั่งสมาธิค่ะบางที รู้สึกไม่ค่อยอยากจะพูดโทเพราะว่าพอพูดโทมันเป็นเปิดโอกาสที่มีความคิดมันแรบๆเข้ามาแต่ว่าพอเวลาที่ลมแบบว่าจับอยู่ที่ไปลายจมูกสักพักนึงมันก็จมูกมันหายไปแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่เราจะกลับไปทีก็มันก็กลายเป็นถอยหลังใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็อยู่แต่ว่าไม่กล้า เอมไม่มั่นใจอะค่ะว่าเราจะต้องพูดโธรต่อหรือเปล่าเพราะว่ามันยังไม่ใช่ตรงที่มันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ที่ว่างแบบเต็มที่อะค่ะพระอาจารย์จะต้องพูดโธรแบบถ้าถ้าคิดได้ก็พูดโธใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะก็ลอเราู้เฉยๆไปก็ได้สแต่ว่ารู้ไปดูว่ามันคิดหรือเปล่าถ้ามันคิดก็ต้องหยุดมันด้วยพูดโทอถ้ามันไม่คิดอะไรมันรู้เฉยๆก็ปล่อยมันรู้เฉยๆไป แ ม, ม้ไม่มไม่ไลองไม่รับรู้เข้าไม่เป็นไรดูความว่างไปอ๋ค่ะได้ค่ะแล้วก็อ๋อตอนนี้ค่ะเวลาที่ออกจากสมาธิค่ะเวลาที่เห็นภาพหรือว่าดู y o u t u ู e ค่ะพระอาจารย์มันกลายบางครั้งนะคะอยู่ๆมันกลายเป็นมองภาพคนกลเขากลายเป็นอสุภะอัตโนมัตินะคะพระอาจารย์ แต่ว่าร่าอจิตมันแวบแรกจิตมันต่อต้านค่ะคือใจมันเต้นแล้วรู้สึกจะอาเจียนขึ้นมาแต่ก็ใช้พุโทโธดับไปแล้วก็คิดว่าเออ ม, มันก็เป็นแบบนี้ทุกคนเขาก็ดับไปค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้มันขึ้นมาเองอ่ะค่ะก็รู้เฉยๆไปรู้ว่ามันขึ้นมาค่ะเดีเอามาเอามาเอามาจดจําไว้แล้วเพราะตอนนี้มันขึ้นมาตอนนี้มันยังไม่เป็นเวลาที่เราต้อง ก, การใช้มัน เราต้องการใช้มันเวลาที่เราเกิดการอารมณขึ้นมาอืนั<ม>่นเราก็ถ้ามันโผล่ขึ้มนมาก็ก็ดีเอามาพิจารณาเอามาเน้กต่อไปได้เอามาจดจำให้ให้มันฟังอยู่ในใจแเราเวลาเกิดจํอารมณ์ก็ดูซิว่าเอามาใช้ดับการมารมณ์ได้หรือเปล่าค่ะได้ค่ะ แล้วก็เรื่องของข้อตอบเรื่องเรื่องน้ำหอมค่ะพระอาจารย์ตอนแรกนึกว่ามันก็แค่มันแบบไม่มีฤทธิ์อะไรไม่มีฤทธิ์เดชอะไรมากมายแต่ว่าพอในชีวิตประจำวันค่ะมันก็จะเริ่มดิน้นดินเหมือนกับเขาอยากจะหาทางระบายค่ะอาจอยากไปหาซื้อนู่นซื้อ น, อ น, นี่คือเขาพยายามจะจะจ ะ, จะแสดงออกจากอยากไปหารูปรถกินเตียงค่ะ หนูก็ใช้วิธีไม่ไม่ได้พูดโทไม่ได้และค่ะคือจับได้ว่าเออกาลังดิ้นแล้วก็ปล่อยเขาไปค่ะแล้วก็ไม่สนใจเขาเขาก็ดับไปแต่ว่าก็ขึ้นมาประมาณสี่ห้าครั้งอยู่นะคะก็เริ่มไหลเริ่มมาก่อกวนเยอะขึ้นมากกว่าเดิมค่ะอาจารย์ค่ะต้องใช้ปัญญาไม่ได้เพามันเป็นปัญญาเสร็จติดไป mm. ไปแล้วมันจะติดมันจะต้องไปไปบ่อยขึ้นมากขึ้นไปเรื่อย วิธีที่แยกแน่ก็มันต้องทำฝืนใจฝืนความอยากให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์สิ่งที่เราไปหามาันมันจะทําทให้ใจเราทุกข์เราต้องไปคอยหามาอยู่เรื่อยมาเวลาใดที่เราหาไม่ได้มันจะทําทให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาคิดว่าเขาคือโทษเป็นแบบเขาคือยาเสพติแล้วมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์ใช่ไหม ต้องไปหาไปเอาเข้าแล้วก็จะติดก็ต้องไปหามาหามาใหมา่เรื่อยๆเวลาหาไม่ได้ก็จะทุกจะเสียใจได้ค่ะทํามไม่มีคําถามนะคะเดี๋ยวให้คุณแน่ถามต่อค่ะอาจารย์แล้อาจารย์ค่ะของโยมของโยมไม่เป็นคําถามค่ะอาจารย์แต่จะรายงานผลนะคะคือเมื่อคืนเนี้ยค่ะตอนเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งกว่ากว่าโยออกไปเดินจงกรมแล้วก็ มันคิดตามมาเพราตอนนี้มาเป็นแม่ค้าดอกไม้ไงคะอาจารย์ก็มันก็มาคิดเรื่องงานคิดเราพยายามไม่คิดนึกถึงคําอาจารย์ว่าอย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันได้อยากก็เลยทําไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินนับไปร้อยเที่ยวก็มันได้บ้างไม่ได้บ้างบางจังหวะก็ไม่คิดอะไรเลยบางทีมันก็แวบมาโอเคเอาใหม่พ okay. อ oh ตอนเช้าก็เดินไปออกไปเดินรอบสนามเหมือนเดิมค่ะอาจารย์เดินเดินเสร็จแล้วมาคิดว่า เราไงมากเลยปล่อยให้มันตามมาได้ยังไงคราวนี้พอ<ม>รู้แบบนี้ทํำไมเราไม่แค่จับเดีรู้คราวนี้ก็ปุ๊บมันก็หายไปรู้สึกเออรู้สึกยินดีอะค่ะอาจารย์อันนี้แบบรู้สึกมันดีใจนิดนึง<ม>แล้วก็ลองดูลองดูซิมันอีกไหมก็เดินเดินไปแล้วก็เดินดูซิมันจะกลับมาคิดไหมมันก็ไม่มาคิดแล้วค่ะอาจารย์นี้ก็รู้สึกว่าอ๋อ ม, มันเป็นข้อสอบแบบเดิมๆแต่แค่เปลี่ยนโจทย์อะค่ะอาจารย์ประมาณนั้นเลยค่ะนี่มีเรื่องที่หนึ่งเพราะเรื่องที่สองวันนี้ตอนตอนเย็นขับรถไปหาหมอที่ซูงไห่โลก 16กิโลไปคนเดียวค่ะกะว่าจะแค่ไปขอยาอยากกินกับยาทาแต่ปรากฏหมอบอกว่าข้อมือที่เป็นเนี่ยค่ะต้องฉีดยาโยมก็บอกว่าขับรถมาคนเดียวนะหมอบอกไม่เป็นไรถ้าขับกลับไม่ได้ก็จอดทิ้งไว้นึก ใ, ใจหมอว่ายังไงหมอว่าอ้าวมาถึงขนาดนี้แล้วเป็นไงก็เป็นการเอาฉีดฉีดก็ฉีดต้องบอกหมอเป็นคนกลัวเข็มนะหมอบอกว่าเอาไงอ้าวฉีดก็ฉีดมาถึงขนาดนี้แล้ ว, ลวก็แบ ม, มือให้หมอฉีดะค่ะแล้วก็ ตั้งตั้งตั้งสติตั้งสติที่ลมหายใจหมอชวนคุยค่ะอาจารย์หมอชวนคุยปุ๊บหมอจิ้มเข็มจึก๊กจิตโยมไปที่เข็มเลยอายจารย์<ม>แล้วก็ตอนที่หมอเดินยารู้สึกเลยว่ายามันเดินพอนได้สติปุ๊บกลับมาที่ลมหายใจหมอบอกว่าเจ็บไม้มอ่ะหมอฉีดเสร็จแล้วค่ะกว่าจะได้สติกลับมาก็โอเคช่างมันก็รู้รู้ว่าเริ่มปวดเท่านี้ก็รีบกลับขับรถกลับบ้านก่อนที่มันจะปวดมากขึ้นแล้วก็ใช้วิธีที่อาจารย์บอกว่าให้อุเบกขา ก็ขับรถไปตามองไปข้างหน้าค่ะไอ้ที่มันปวดที่มือก็ปล่อยให้มันปวดไปมันรู้สึกเหมือนกับว่าเรากลายเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือขับรถอีกส่วนหนึ่งที่มันปวดมันปวดอยู่ข้างล่างมือค่ะอาจารย์จริงจริงมือยมอยู่ที่พวงมาลัยนะคะแต่รู้สึกว่ามันปวดอยู่ที่หนึ่งเหมือนเราอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นสองแล้วมองเหตุการณ์อยู่ชั้นล่างประมาณนั้นนะคะก็ขับกลับมาถึงบ้านสิบหกกิโลนะคะอาจารย์ขับกลั บ, บ ม, มา พอมาถึงบ้านเนี่ยมาพ่อมันต้องเลี้ยวรถแล้วก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องหมุนพวงมาลายัยโอ้ยเริ่มเจ็บก็รีบกลับมาแล้วก็มานั่งดูแยกพยายามแยกแยกกยันก็ทําได้อยู่ค่ะอาจารย์แม้ว่าอาจจะเป๋ๆไปบ้านงนิดนึงก็รู้สึกว่าอ๋อการที่เราแยกออกมันมาก็ใช้ได้อยู่ค่ะอาจารย์ก็นําความรู้ที่อาจารย์สอนมาใช้ได้ในชีวิตจริงใช่เพราะว่าค่ะถ้าไม่มีหัวใจเราจะทุกข์ไปใจเราจะ มันมันอใช่มันมันปวดนะคะจาย์มันปวดเพราะว่าฉีดเข้าไปในในฝ่ามือค่ะแล้วก็คือแบบตอนนั้นเรายังไม่ทันได้ตั้งสติเลยปุ๊บกลับมาอ่ะไม่เป็นไรแต่ขับรถไม่รู้สึกเลยนะคะจาย์ว่าขณะที่เรามองไปข้างหน้าใจเราอยู่กับที่มองไปข้างหน้าแต่ว่าความปวดมันมืนมันอยู่ข้างล่างอะค่ะมันเหมือนแยกโซนบนล่างอยู่แบบนี้เลยค่ะจันมันเป็นแบบนั้นจริงๆ ก็บอกอ้่อยๆใช้ใชๆไปไปได้ท้วว่าเป็นเป็นสภาวะธรรมใช่ค่ะคือบอก็ก็ขับไปก็ปวดก็ปวดก็ขับแต่ว่าไม่ได้ว่าปวดมากจะรู้สึกว่ามันมันทุกข์นะคะรู้แต่ว่าปวดแต่ไม่ได้ใส่ใจก็ยังขับรถมันเรื่อยๆ16กิโลมาถึงบ้านได้แบบโอ้โหแบบไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งรับมาก่อนนะคะไปฉุดอูก็โดนฉุดดีเราดีเรก็เลยโอ้ยกลับมาถึงบ้านอืม ก็นี่มารายงานให้อาจารย์ทราบว่าอ๋อเราผ่านมาสองด่านได้อยู่ค่ะอาจารย์แค่ว่าอ๋ออันแรกที่มันเป็นทุกข์มากคือการเดินจงกลมแล้วเรื่องราวความคิดมันตามมาในสมองนี่มันมันทุกข์มากเลยค่ะแต่มาคิดว่าอาจารย์คําของอาจารย์แบบว่าอ ย, อ, ยอย่าอยากอย่าอยากให้มันหายอย่าไปนั้นว่าเ<ม>อ อ, อก็แค่เราสักแต่ว่ารู้เราแค่วางมันก็ทําได้ค่ะอาจารย์ แต่ว่าปัญหามันก็จะกลับมาแบบเดิมแต่แค่เปลี่ยนโจทย์อย่างนี้ยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็สักแต่ว่ารู้อะค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะยอมยอมรายงานแค่นี้ค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะอาจารย์ถ้าไม่อยากมันก็จะไม่ทุกข์พออยากมันก็จะทุกข์ขึ้นมาดีค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าตอนที่หมอฉีดยานี่รู้สึกว่ามันมันมากเลยคร่ะมันเป็นการท้าทายขับรถมาสิบหกกิโลขับคนเดียวเน้นนะคะมันมันมันมากเลยค่ะ หน้าทานเบค้าวขอราใช่ค่ะโอ้โหมันมันมันแต่มันน่าประหลาดตรงที่ว่ามันเหมือนเป็นแค่ก้อนกลมๆสองก้อนนะคะจันในที่เรามันก็น่าประหลาดนะคะว่ามันเหมือนกับว่ามีตัวเรามีหน้าเราแค่นี้แล้วที่ปวดมันอยู่ข้างล่างอ่ะค่ะมันเป็นแบบนั้นโอเคค่ะจารย์รายงานแค่นี้ะค่ะจันขอบคุณต้องแว้งไปค่ะตวางเฉยได้ครับกันนะค่ะแฮปปี้เลยค่ะอาจารันขอบคุณค่ะ Idaho, อดีตติปวันไนโดห์ USA อาจา ร, รย์เจ้าคะเมื่อวานโยมฟังพระอาจารย์ปารธุธธรรมเกี่ยวกับกาอยากขาสติแล้วโยมจำได้เวลาเข้ามาที่ห้องสูมประมาณสองเดือนเนี่ยคะ่ะหนูเ จ, เจสตี้กับพี่เขากับตะ ว, วัน ท่องอนุสติข้อสิบใช่ไหมคะอะไรนะอืมเมืม่อวานนะคะพายจาย์ปารุธรมเกี่ยวกับกายะัะ ต, ตาสติค่ ะ, ะก็หนึงน<า>่งแงอนุนนสติสิบหนึงหน่งแค่ ะ, ะเราที่หนูเจตี้กับที่เขากับตะวันท่อง อสังคุยหนึ่งในหมวดนั้นถูกต้องไหยคะใช่ค่ะแล้วพระอาจารย์ก็ยังปรารถนาต่อไปเกี่ยวกับเรื่องทานเมื่อวานนะคะก็อยู่ในกายยะกขตาสติใช่ไหมคะข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับทานจาคาอะค่ะนไม่เกี่ยวกับทานไม่ได้เกี่ยวกับการยักตาสติจาคาหมายถึงอะไรคะจาคาบอิจานี่ การบริจาคการเสียสระแบ่งปันกับก้าอ๋ยงเข้าใจว่าเป็นการให้ทานเนี่ยค่ะไม่ใช่ก็ให้ทานไงแต่ไม่เกี่ยวกับกายกตะต่ายสติบนระเรื่องกันการให้ทานกับการมีสติอยู่กับร่างกายบนระเนื่องกันอืมถ้างั้นยมก็เข้าใจผิดที่พระอาจารย์อธิบายเมื่อวานนะคะค่ะก็ แค่นี้ค่ะแล้วก็เท่าที่ฟังปารธธรรมของพระอาจารย์หลวงพ่อค่ะก็พอจะมองเห็นนะคะว่าจะศึกษาเรื่องมรรคแปดหรือพระอาจารย์เคยปารธธรรมปฏิจจสมุบานะคะก็กลับมาที่ไตรลักษณ์อยู่ดีเราที่พระอาจารย์พูดสมเสมอะค่ะว่าให้เจริญสติแล้ว โยมก็เห็นว่าถ้าเรามีสติหลายสิ่งหลายอย่างที่พระอาจารย์บอกะคะ่ะมันก็ลงที่ไตร ล, ลักษณ์จุดดีก็โยมอาจจะใช้คำพูดไม่ถูกะคะ่ะแต่ความเข้าใจเท่าที่นั่งฟังทั้งวันอังคารแล้วก็จากวันนี้ของทุกๆคนนะคะคก็เห็นว่าไม่ว่าจะศึกษาตรงไหนก็กลับมาลงที่อานิจจังทุกขงัง นัตตาอใช่ทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะยมจะได้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็พยายามต่อไปค่ะโอเคพยายามปล่อยวางในเองอย่างเป็นทุกอย่างไปยู่ปร okay ะมาณนี้โอเคนะค่บขอบคุณบ้าจะค่ ะ, ะเป็นเสบพัฒนาบอวินชนเวรี ทำรำมรสมการพระอาจารย์นะครับวันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มาขอว่องฟังธรรมก็ป่ะถึงนี่เองเนี่ยเชียงรายเนี่ยเชียงราไปรายอาทิตย์เนี่ยไปไปปฏิบัติ ท, ที่ไหนนะครับผมการมรสมการพระอาจารย์ครับผมเป็นยังไงครัก็ไม่ได้เข้าห้องสูมแต่ก็ฟังอยู่ข้างนอกครับอาจารย์ครับครับผม ก็ปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์ครับปฏิบัติตามตามสั่สอนของพระอาจารย์ครับผมตื่นและเลิกอีกเสมอว่าปฏิบัติเแข่งกับเวลาครับพระอาจารย์ครับเวลาเราด้อยลงไปเรืเ่อยๆหดไปเรืเ่อยๆครับผมก็ตอนเช้าก็กตื่นตีสามสิบตีห้าก็ปฏิบัติจะถึงเกือบหกโมงครับพระอาจารย์แล้วก็กลางเย็นก็ปฏิบัติตั้งแต่สองทุ่มไปครับอาจาราย์รีบทํภารกิจของร้ายมันเสร็จสิ้นไป ครับผมครับผมก็มันทำข้อสอบอรีบทําข้อสอบก่อนที่เวลามันจะหมดครับผมครับผมก็ตื่นรื่อรื่นกันเสมอครับว่าช่วงเวลาของโลกรุ่นมันมันมันสั้นนะครับอาจารย์บางเทศเพราะแม่คุณอาจารย์ก็องจนมันสั้นจริงจริงครับทำให้หอนคิดดูครับตักวันนี้ก็คิดถยูมกันครับอาจารย์ว่าจะเดินออกจากครอบครัวไปยังไงดคิดอยู่เมกันว่าจะไปเลยไหมหรือว่าไปแบบ แบบว่าบอกกล่าวว่าจะไปแล้วนะไปบวชไปอะไรอย่างเงี้ยครับอ mm hmm. าจารย์ก็ยังยังคิดอยู่ในใจอยูาา่ครับววาาอาจารย์ครับผมแล้วตอนเดีวเดวความสงบเป็นยังไงครับผมถ้อพ่อถ้าดูถ้าดูใจตอนนี้ก็คือว่ามันมันไปติดที่ความสงบ ค, ความอะไรมากกว่ามันอยากอยากทำสมาธิทาอะไรมากกว่าที่จะไปทําการทํางานอะไรครับอาจารย์ครับ mm hmm. ก็ถูก็ล้ครับท่าผมอยากทีจะอยู่รถแทงทำใช่ไหมรทั้งปวงครับก็เหมือนเราอยากจะอยู่แบบว่าอยู่กีเมียคนเดียวอยู่ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องอะไรมันมากก็นั่งหลับตาเข้าสมาธิไปฟังเทศฟังอะไรไปเงี้ยครับมันใจมันไปทางทางนี้มากกว่าล้ครับอาจารย์ไปแล้วท่าผมก็ท่าผมก็ยังรอรอก็รอโอกาสว้ทุกวันอายุก็สั้นไปทุวันทุกวันแล้ว ชั่วคมากไปแล้วอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราตายไปวันนี้มันก็เหมือนกับเราว่าทิ้งเ่าอยู่ดี่ใช่ไหมครับให้คําบใชคือ ก, ก็ก็ไม่รู้ว่าเออเราจะไปก่อนเขารู้ว่าเขาจะไปก่อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันได้ครับครับก็คิดว่าเขาเขา เปลียนพยายามไปก่อนครับว่าจารย์เดี๋ยวทําทําอย่างนี่ไปก่อนไปก่อนจะไปเห็นว่ามีช่องทางมีโอกาสที่จะไปได้เลยก็ไปเลยครับผมครับผมทำทำโอเคนะโอเคครับก็ขอให้ท่านอาจารย์แข็งแรงครับยังไงก็อย่าทิ้งการปฏิบัติครับก่อนทำไม่ทิ้งครับอาจารย์ครับก็ทําอยู่ครับไม่ทิงครับอครับอนุเคราะห์นักสัเบร์อ ทำนรัตการค่ะอาจารย์อาจารย์สบายดีไหมคะไม่สบายคงยังไม่ได้มาที่นี่นะคุณปุ้ยไม่มีอาจารย์คุณปุ้ยปฏิบัติธรรมพละการย์ทุกวันเลยค่ะแต่บางวันอ่ะอาจจะขอเข้ามาเพราะวตื่นสายไปหน่อยเพราะว่าทันยาเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็ปฏิบัติอิศวรมลนะมาดี เอมรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนกับว่างๆไม่มีอะไรต้องให้คิดเลยเพราะว่าเราก็นั่งสวดมวลตรงโน้วดมวมตรงนี้ไปเรื่อยค่ะอืมทำไปทาไปอย่าหยุดชื่อไม่จอด ย, ยมก็ไม่หิวด้วยยมยมอ้วเดียวยมหิวเลยยมไม่หิวเลยจะขจัดหิวก็ยังไปกินกันถ้าหิวก็ไม่กิน มันไม่ขี้นะอาจารย์นะฮะเพราะโยมจะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเข้าพรรษาเอตอนพรรษานี้โยมจะว่าโยมจะขี้จีแฝดกับอาจารย์อ่ฮะนี่ค่ะโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรคับอาจารย์จะจับจะมาแค่มามาเยี่ยมอาจารย์เฉยๆมาถวายบุญให้พระอาจารย์ค่ะแล้วที่นี่จะ มาได้บุญยยาอ่ามาให้มีความสมหว่ากคิดเงินเป็นเงินคิดทองเป็นทองคิดเลเป็นแรกนะขอบคุณขอบคุณอาจารย์ขอให้อาจารย์แงแรงค่ะค่ะขคุนคนที่ที่มาเชิญอยู่ที่ไหนการนอสการหาอาจารย หนูอยู่ดอนเมืองค่ะแต่บ้านอยู่เชียงบุรีค่ ะ, ะเคยเข้าไปกราบพระอาจารย์ที่กุฏิค่ะไปนั่งฟังธรรมแต่วันนี้ก็เข้ามากราบฟังพระอาจารย์ค่ะเอมีอะไรแม่จะถามไหมอ๋อหนูถามให้เพื่อนได้ไหมคะพอดีหนูมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าอะค่ะพอดีแกเป็นหลังจากที่พ่อแกเสียจะอุบัติเหตุนะคะพระอาจารย์มีธรรมะที่แนะนําแกมไหมคะก็ะใหพยายามใช้สติหยุดมีความทิฏฐิอย่าไปคิดถึงเรื่องพ่อที่เสียไปแล้ว มันผ่านไปแล้วมันเราทำอะไรไม่ได้ใ ห, ให้ส่วนบนก็ได้พุโทโธก็ได<า>้ทำใจให้สบงบแล้วก็จะหายเศร้าอขอบคุณมากค่ะอาจารย์โอเคนะไม่ใหญ่ะไม่มีแล้วค่ะไปที่พนันสุปดาสุปดาการนมัสการพระอาจารย์อ่า วันนี้มาเมื่อวันอาทิตย์นะคะพอดีเรื่องประดูปอะคะ่ะร่องกลับขอขอบคุณพระอาจารย์ที่ให้ปัญญามากๆเลยคะ่ะเพราะว่าอพอเราดูสื่อโซเชียลเราก็มีหลุดไปบ้างเขาบอกโอ้ยต่อไปจะไม่ปล่อยแล้วแต่พอได้ฟังวันอาทิตย์แล้วโอ้โหขอขอบคุณพระอาจารย์มาเลยคะ่ะเป็นปัญญามากๆะะเลยค่ะต้องกลับขอบคุณพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ <Yeah. S 1> อาจารยเทอคะ่ะปล่อยปลามันได้โดนเป็นเดี๋ยวเราใช้ปัญญาหน่อยไปปล่อยให้มัน มันมันปลอดภัยแล้วมันก็ไม่ไปเป็นปัญหาอะไรกับใครต่ตอค่ะอ่ะาเธอต่อค่ะอ่าเไปได้คุณการชิดใต้วันนะใช่น้อมกลับไปอาจารย์ครับเป็นยังไงมีอะไรไม่วันนี้มีเรื่องถามอยู่ครับมากมาเลย เวลานั่งปฏิบัติไปแล้วมันก็หายใจสั้นบ้างจาวบ้างแรงบ้างแล้วก็ไม่มีหายใจเลยครับอ่าห้รู้เฉยๆไปรู้ตามเป็นจริงแล้วเราไม่หายใจนะครับไม่หายใจก็ตายเยนยเี่ยมันบันท้ายวิญญาเราจับมันไม่ได้ไง อ, อครับแล้วก็ มันก็นั่งนิ่งไปประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สึกปวดอะไรครับแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ไม่รู้ว่าสมาธิเป็นยังไงครับก็ทำนิ่งก็มันก็เป็นสมาธิอใจนิ่งก็เป็นสมาธิครับแต่ว่าก็บางวันก็นั่งก็เป็นสีเป็นสีสีขึ้นมาครับเป็นสีขึ้นมาสีฟ้าเขียว ไม่ต้องไปสนใจนั่เพื่อให้ใจเนี้ให้ใจสงครับนังนันันต้องดูลมไม่ต้องไปพุโทโธอยู่แล้วสิ่งต่ตางมันจะไม่เคยด <c oughs> แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆมันเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาได้กับปอดีถ้าลมหายใจแรงบ้างสั้นบ้างหายไปบ้างผมก็นึกถึงพุโทโธ ก็ดึงกลับขึ้นมาพุโทโธก็มีลมหายใจขึ้นมาครับแต่แต่มันก็ไม่ไม่ไปไหนทักจีมันก็อยู่แค่หายใจแรงสั้นยาแล้วก็ไม่มีลมหายใจครับก็ลมมันจะไปยังไงก็เรื่องของมันไปใจเราให้รู้เฉยๆไปหะครับอย่าไปอยากอย่ไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ครับ โอเคนะโอเคครับน้องกาต้าอาจารย์ครับคุณบาลิกาที่ว่ามีเสียงอะไรเสียงเครื่องเสียงเสียงพัดลมหรือไม่งคุณบาลิกาไม่ใย ทำเข้าอาจารย์ <Okay. S 2> ไม่มีข้อขามค่ะโอเคได้ครัทุกท่าน okay, อันนี้คนยินดีอั น, นี้ถึงการเอร์ถึงแล้วค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็วันนี้ชก็ไม่มีอะไรค่ะเข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะแล้วก็เดวิดฝากความคิดถึงท่านอาจารย์กันแล้วก็บอลซองเต้ ค, ค่ะท่านอาจารย์ออขอบคุณมากพยานทํา ง, ง, งานนะไม่หยุดเลย <c oughs> ตามหน้าที่ค่ะท่านอาจารย์ตามน้าที่ค่ะท่านอาจารย์เมื่อวานเมื่อวันที่ลูกกลับมาค่ะท่านอาจารย์เออคนข้างบ้านอะคะ่ะที่อพาร์ตเมนต์ข้างบ้าน่เขาเขาเขาทําเสียงดังมากเลยตอนตีหนึ่งค่ะแล้วลูกก็เลยคือเดวิดไม่ผ่านแต่หนู่ผ่านคือเรามาดูตัวเองอ่ะค่ะก็เลยบอกว่าอ่ะก็คิดว่าเ อ, อท่านอาจารย์บอกว่าให้คิดว่าเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่า ดังนั้นก็อยา่าไปสนใจแต่เดวิดก็บอกว่าแต่กฎระเบียบมันก็ต้องมีใช่ไหมคะถ้าอาจารย์หนูตรงนี้หนูก็เลยแบบเอ๊ะมันมันมันต้องยังไงป่ะคะาอาจารย์หรือเราปล่อยไปแต่ถ้าเกิดสมมติมมกฎระเบียบกฎระเบียบมันก็แต่มันก็คนที่ไมให้เขารับกฎระเบียบมันก็มีเหมือนกันนะลูกก็เลยเราไม่ได้เป็นคนที่จะมาคอยควบคุมบังคับคนให้ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบนะลูกก็เลยแบบ จะเอาไงดีถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดขึ้นถ้าเกิดสมมุติมันเกิดขึ้นบ่อยๆใช่ไหมคะเกิดขึ้นบ่อยๆคือคื อ, คอทางเราสามารถที่จะอีเมลไปทางทางทางเนี้ยค่ะเอทางทางทางคณะกรรมการที่เนี่ยค่ะแล้วเขาก็ก็ใครเป็นคนดูแลก็ไปแจ้งความแล้วก็ทราบแล้วกัไม่มีปัญหาแต่ลูกก็เลยลูกก็เลยบอกเขาว่ามันก็เหมือนเอเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านแล้วก็อยู่กับมันไปก็แค่นั้นเองแล้วก็จบ อย่างนั้นได้ก็ดีวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือเนื่งเฉยไปปล่อยเค่ะค่ะถ้าอาจารย์คือบางท่านบางคราวลูกก็เอ๊ะเราเราเราผิดหรือเปล่าหรือเขาเขาผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคือถ้าเถ้าเราไปมีอะไรกับเขาเดี๋ยวก็กลายเป็นปัญหากันขึ้นมาเองค่ะท่านอาจารย์แต่ค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะแล้วแต่เราจะเลือกไปทางไหนเลือกไปทาง แจ้งความแปเอาช่วยกับเขาเหมือนก็เดี๋ยวราจะเดินมาที่มาดูไม่ค่ะคือที่นี่เขาแบบคือตอนที่เรามาเช่าเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเออถ้าเกิดมีปัญหาอะไรอ่ะคือให้เขียนอีเมลมาบอกคือทุกคนอ่ะก็สามารถอีเมลแจ้งข้อความเอ่าแจ้งข้อความอะไรอย่างเงี้ยได้กับก็แจ้งไปก็ได้เหมือนก็จะมาทำแล้วทำไม่ทําก็เรื่องของเขาไปก็แล้วกับค่ะแต่ลูกก็เฉยเฉยแค่ลูกปล่อยลูกก็บอกเขาว่าเออก็ท่านอาจารย์บอกว่าก็เหมือนกับ ฟ้าร้องฟ้าผ่านันจะไปเอาอะไรใครับล่ะลูกก็นอนลูกเล่นลูกก็พูดโทรลูกไปนะค่ะแ ล, แล้วลูกก็บอกเขาว่าพูดโทรไปแค่นี้ยเป็นลูกดหนูก็เลยบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ก็ต้องเนี่ยอยู่กับพูดโธไปเขาหัวเราะหนูแล้วเขาก็นอนไปอ่ะท่านอาจารย์ขอบคุณอย่างท่อาจารย์มีเราคอยช่วยคอยช่วยเบรคเขาก็า การท่านอาจารย์ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอจารย์สาธคะขอบคุณหน่อยชัยนินชัยน้นหน่อยหายหน้าไปไหนมาฟังอยู่ข้างนอกจ้ะค่ะรู้สึกผิดจ้ะก็เลยไม่ค่อยได้เข้าแต่ก็ฟังตลอดจ้ะค่ะแพ้กิเลสอย่างที่มีพี่คนหนึ่งพี่ ที่ก่อนหน้านี้ที่พี่เขาพี่พี่ดิศยาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่พูดไปบอกว่าใจมันดิ้นจ้ะค่ะใจมันดิ้นก็เลยแบบตอนแรกก็จะอดค่ะจะจะไม่ซื้อของแล้วจ้ะค่ะแล้วทีนี้ก็ก็เลยบอกว่าอเดี๋ยวกินข้าวเย็นก็ได้เพราะวันนี้จ้ะค่ะก็คือแพ้กิเลสจริงๆแล้วค่ะชักจะเยี่มแพ้จงเมื่อไม่ช่พุโธเนี่ยเวลามันเดินเราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นจะใช้พุโทโธจ้าจะใช้พุธโธไปตั้งปั้งห้านาทีสิบนาทีมันก็หยุดนิ่งแนละ้วจ้าค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะก็ว่าจะถามพระอาจารย์เหมือนกันว่ามันจะต้องให้เขาอย่างในอย่างหนึ่งมันก็ต้องตามกิเลสอย่างเนี้ยเขาก็จะเรียกร้องอยู่นี่เลยก็ได้อย่างนี้นะเดี๋ยวก็อย่างนั้นต่อแต่ถ้าเราบอกไม่อย่างเดียวคืนไม่อย่างเดียวต่อไปเขาก็หยุดเรียกกล้องเองจ้าค่ะ ทั้งที่ร่างกายเราก็ไม่ได้หิวอะไรเลยนะแต่มันเป็นละกิเลสมันเะรียกว่ากิเลสดังนั้นอ่ะใช่เพราะว่าพิจารณาแล้วร่างกายไม่ได้หิวเลยเจ้าค่ะ<ม>แต่ไม่เข้าใจว่าต้องการ<ม>อะไรต้องการความสุขทางกายอารมณ์นะต้อง<ม>การเสพกามเสพรูปเสพกิ่นรส ต้องพูดโทแบบดับไว้ไม่ให้มันให้นิ่งสนิทเลยใช่มคะ้มันนิ่งให้มันนิ่งพอจิตนิ่งสงบแล้วความมุนเยตก็หายไปความควาสุขใจก็เกิดขึ้นมาเจ้าค่ะถ้าไม่แก้อย่างนี้มันก็จะต้องยอมมันไปเรื่อยจริงๆเจ้าค่ะเนี่ยไหนเป็นช่วงเนี้ไหนเป็นไม่ไม่แบบไม่กิเข้าเย็นก็ เดี๋ยวซื้อของอาเดยเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยเ้วต้องไม่ยอมมันทักงอย่างเลย้ค่ะต้องพูดถอยอย่างเดียวนี่ก็อุตสาห์ไม่เอฟไม่ซีเอฟนะค๊ะซีเอนี่เข้าไปว่าอะไรคอนคเฟิร์มใ้่ค่ะคอนเฟิร์มเ้าใเวลาเวลาจะซื้อของเรากดเบอร์นี่ตามที่เขาบอกนะ แค่พิมพ์คำว่า C F แล้วเขาก็จะแท็กมาบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เงินเดอนไป้เงนเงินไปแล้วก็ส่งของมาใช่ไหมค่ะบางทีก็ส่งบางทีก็ไม่ส่งจ้ะค่ะมีกองด้วยเลยนอนกองไว้ไหมตัวโง่จ้ะค่ะไม่ฉลาดก็ยังซื้ออยู่ก็ยังซื้ออยู่ขี้เก็บไปที่ร้านมันซื้อแบบที่มันง่ายกว่า่ไหมใช่จ้ะค่ะแบบ เดี๋ยวนี้ลกออนไลน์แบบสุดยอดเลยนี่ละค่ะ<ม>แล้วซื้อของออนไลน์บางทีแต่ก่อนอ่ะเราต้องไปดูวัดไซต์ที่ร้านเดี๋ยวนี้โดนโดนหลอกเยอะเลยจ้ค<ม>่ะพอรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนแล้วทําไงถูกหลองแล้วไปแจ้งความหรือเปล่าแม่ยอมเลยจริงๆไปแจ้งความเจ้าค่ะไปถึงโรงพักเลยเจ้าค่ะแล้วทีนี้คือด้วยความที่ไหนไปแล้วทีนี้เคสหน่อยมันมันแค่น้อยอ่ะเจ้าค่ะ<ม>แล้วทีนี้ ไปไปตำรวจบอกว่านี่นั่งอยู่ข้างหลังชี้ให้ดูเลยค่ะนี่เขาหลักล้านเขาโดนมาหมดเขาโดนหลายเยอะกว่าเราอีกอของหน่อยเล็กน้อยไปเลยเขาก็เลยไม่ทําเรื่องให้จ้ะค่ะก <laughs> ็เป็นผลเรียนได้เลยนะคือเอาจริงคือถ้าถ้าเขาอะไหนว่าเวลาเขาเขาจะปิดเพจแล้วก็ไปเปิดชื่อเป็นชื่อเพจใหม่มแล้วเขา คนพวกนี้ยคอยเปลี่ยนชื่อเรื่อยเจ้าค่ะเราต้องไปซื้อบริษัทที่เขาเชื่อเสียงไว้ใจได้ไม่ดีป่ะใช่เจ้าค่ะตอนนี้ก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าคือเขาก็คอยหลอกเอาเอาไม่เยอะค่ะแบบคนหนึ่งสองสามร้อยอะไรเงี้ยพอได้ทีเงี้ยเขาก็จะได้ประมาณหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดเหตุหนีอย่างเงี้ยค น, ย น, ค, ค, นคนเป็นร้อยเป็นพันก็อาจจะเป็นแสนขึ้นมาก็ได้ใช่เจ้าค่ะไ ด, ไ ด, ได้ได้หลายทีด้วยแบบโอ้เห็นแล้วแบบอื ก็เลยไปโรงพักแล้วเขาก็เลยบอกว่าเคสเคสได้เงินน้อยไม่ต้อง<ม>เพราะว่าเขาเจอหลักลงหลักร้านเยอะมากตำรวจเขาเยอะเหนื่อยเพราะมีคนหล่า ล, งลองกันเยอะคนเขา้ามาเยอะคนเข้าให้ท่ะไห้คนหล่าลองก็มีเยอะ เ, เอาจริงๆริงเนี่ยมองว่าคนไทยเป็นคนใจดีนะจ<ม>๊ะค่ะเพราะว่าเห็นอะไรมานิดหน่อยนี่คือแบบว่าพอเปิดมาใครป่วยคันนั้นอ่าหมาป่วยแมวป่วยขอระดงทุนไม่รู้จริงใช่จ๊ะค <laughs> ่ะ <laughs> โอนันตีเลยไม่รู้จริงหรือเปล่า<ช>คือเขาเอาแบบว่าเหมือนกับความความที่ใจอ่อนของคนคนไทยเราอ่ะนะมันจะาำให้ต่อไปคนเราจะแข่งกันด้านกันเพราะไม่เชื่อกันแล้วจริงๆตอนนี้หน่อยก็ไม่ไม่ค่อยโอนแล้วน ะ, ะคะคือซื้อร้านประจําที่เคยตั้งแต่โดนมาค่ะที่ <laughs> ก็ซื้อร้านประจําที่เคยไอ้นี่มาแบบแล้วก็บางที มันก็มีฉุดคิดได้ด้วหนึ่งว่าเราก็มีเยอะแล้วไ <g ül> ม่จาเป็นอะไรอย่างเงี้ยสิคะก็ okay. มาทำไปซื้อที่ร้านกันแล้วกันจค่ะซื้อที่ร้านก็ได้เลยแต่ว่าถ้าแต่ว่าแพงกว่าออนไลน์จ้ะค่ะอืมแต่ก็ได้ของดีก่ก็ไม่นี่ก็ได้หรอกดีก่ก็ถูกหรอกจ้กะค่ะก <c oughs> ็เสียเนฟรี free. ของก็ไม่ได้ ไม่ได้เจ็บใจด้วยจ้ะค่ ะ, ะเงินก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าื อ, อดอกไม่ื อ, มอเค็บอยู่นะทำไมอมีอะไรไหมไ ม, ม่มีกระแสนิพพานนะจ๊ะค่ะที่พระอาจารย์บอกว่ามันเป็นกระแสก็เหมือนน้ําที่ไหลน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยมันจะไหลไปไหนนะมันก็จะไหลลงไปทะเลใช่ไหมใช่จ้ะค่ะกระ แ, แสกระแสธรรมที่เราปฏิบัติ กระแสที่ผ่านมันก็จะหลายไปที่นี่ผ่านเจ้าค่ะแล้วทีนี้คือเราเข้าไปในกระแสแล้วอ่ะบุญก็เข้าไปไม่ได้บาปก็เข้าไปไม่ได้ใช่ไหมไม่เรับบุญนี่แหละเป็นตัวที่เป็นฟ้ายรับเข้าไปในกระแสถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ทําทานศีลภาวนาเราก็จะเข้ากระแสนี้ไม่ได้ อ, อ๋อก็คือว่าบุญตัวนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าบาปเข้าไปไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมคือเปรียบเทียบว่ากระแสเหมือนแม่น้ำเจะพยาแต่เราอยู่เราอยู่ อยู่ดอนนี่ยเราก็ต้องนั่งรถไปเรืเดินทางไปถึงถึงถึงแม่น้ำพอเราถึงแม่น้ำเราก็กระโดดลงน้ํำไปนิดน้ํามันก็พาเราไปไป อ, ออกลงไปทะเลนะอาจารย์ขอให้เราเข้ากระแสะให้ได้ถ้าเรายังไม่เข้ากระแสะเราก็ยังจะไปถึงนี่ผ่านไม่ได้การที่เราจะเข้ากระแสะนี้ได้ก็ต้องฝึกฝนอย่างนะ่ะ ก็ต้องก็ต้องเราเราช้อปปิ้งะไแล้วก็มานั่งสมาธิคือสีแปะอะไรอเงี้ยแลก็เป็นการอดหนุนไม่ค้าจ้ะค่ะยังเข้าไปไม่ได้นี่ก็ไปก็เข้ากระแสไม่ได้ได้จ้ะค่ะอดทนนะดี๋ยจ้ะค่ะจะพยายามจ้ะนี่เข้าเข้ามาซูมเพราะว่าตอนแรกก็จะไม่เข้ามาแล้วนะจ้ะค่ะเพราว่าเอามาสอนใจตัวเองนี่แหละค่ะ เพราะว่าต้องเข้ามาต้องเข้ามาพยายา ม, มเข้ามาฝึกตัวเองให้ได้เจ้าค่ะอ่าดีพยายามต้องต้องบังคับตัวเราเองถ้าไม่บังคับมันไม่มันไม่ชอบมันไม่เมือนชอปปิงปป้งนชอปไม่ต้องบังคับหรอกมิเตจะชวนเราเจ้ า, า okay ค่ะอโอเคค่ะเล่าวิธีสิค่ะอ่าทุกอย่างคนเน่งคนเน่งนะคนเน่งเออ เข้ามาสคเก่านมั ส, าส ก, การพระอาจารย์ค่ะวันนี้ของกาดให้ลูกชายมากราบด้วยเจ้าค่ะสวัสดีครับสบายดีแล้วครับเชดีครับยังไม่นอนเลยอะเด็กก็เนี่ยยังครับยดีไม่โหดนะตรงนี้พวกนี้เป็นโรงเรียนหรือเปล่าไปครับอยู่ปไหนนะปห้าใก้ขึ้นปหกแล้วครับอ๋ออ่า จะถามผู้อาจารย์ว่าเรียนอะไรดีเจ้าค่ะตอนนี้ก็เรียนเรียนหลักสูรตรปฐมบนก่อนเนี่ยจบมัธยมให้จบมัธยมแล้วค่อยเลือกว่าจะไปทางไหนดีชอบชอบเรียนแบบไหนก็ไปทางนั้นตอนนี้ยังเด็กไปอาจจะไม่รู้ก็ได้ชอบอะไรเจ้าค่ะแต่สิ่งที่ชาวคนจะชอบก็คือศีลธรรมมั น, นจะชอบรักษาศีลห้ามั น, นจะชอบทํตตาบุญทำทาน ครับรัจกษาศีนฆ่าไหมรูม้จักศีนฆ่าไหเป็นอะไรรู้จักครับรักษาได้ไหมครับอืมได้ครับได้แล้ ว, ลวข้าพูดองเนี่ยรักษาได้เอยอันนี้กหกเปล่ า, าไม่ <c oughs> ไม่เลยโอเคดีพีายามรักษาศีนฆ่าไว้เนยะเป็นวิชาที่สําคัญที่สุดครับ <c oughs> โ <Okay. S 2> ยมมีคําถามพระอาจารย์ะคะ่ะคือพอเราพูดถึงเรื่องออุบายการภาวนาค่ะก็คือเราพยายามคิดถึงว่าทำอย่างไรเนี่ยเอเราจะภาวนาได้ให้จิตสงบนะเจ้าคะแต่ว่าจะถามพระอาจารย์ว่าจิตอ่ะมันมีอุบายของมันอีกไหมคะคือเหมือนกับว่าเราก็คิดว่าเราอ่ะหาทางนั่นแหละ มนุษย์หาทางที่จะทำยังไงก็ได้เพื่อควบคุมจิตด้วยหลายทางก็อย่างว่ากรรมฐานทั้งสี่สิบกองทีนี้ว่าพอไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยบางทีเราจิตมันก็ต้องมีอุบายซ้อนของมันอีกใช่ไหมเจ้าคะเลยอยากจะขอการถามพระอาจารย์นะคะว่าอุบายของจิตเนี่ยมีด้วยใช่ไหมัมนึ่งกคือการปฏิบัติธรรมมันก็ต้องมีการหาวิธีกา ร, าการต่างๆวิธีการต่างๆนี่ก็าเรียกว่าอุบาย ้ค่ะถ้าเรานั่งแล้วมันง่วงวเราก็หาอุบายแก้ความง่วงถือศีลแปดไม่กินหรืออดข้าวอย่างเงี้ยหรือไปนั่งภาวนาที่มันน่ากลัวบางคนไปนั่นั่งภาวนาที่ปากเหวเนี้ยถ้งม่วงสปปะบะกอกก็ขอเที่ลงไปในเหวเลยแบบนี้มันก็จะทําให้ไม่มง่วงนี่เรียกว่าอุบายอะไอย่างเนี้ย วิธีการที่จะทําให้เราปฏิบัติไปอย่างก้าวหน้าไปเรื่อยๆงั้นวัาเราไปเจอประสาทอะไรที่ความก้าวเราก็ต้องหาวิบากมาแก้มันนีคความหมายของวิบายกําลังใจต้องเข้มแข็งมากเลยเจ้าค่ะอันนั้นทุกอย่างทำไมก็ต้องมีทั้งความอดทนมีความกล้าหาญนะนะจะมีความ ความปรารถนาที่อยากจะพ้นทุกอย่างแรงกล้าจะทำให้เรากล้าที่จะทำอะไรที่ธรรมดาจะทำไม่ได้กันเจ้าค <Okay. S 1> <ต>่ะเมื่อกี้แล้วแต่ว่าเราอยู่ตรงไหนเรามีอุปสงสาตรงไหนเราก็ต้องล้วก็ต้องคิดหาอุบายมาแก้มันไปขี้เกียจทำความพิดเราต้องใช้อุบายกำหนดตารางเวลาของการปฏิบัติไป เวลานี้จะต้องปฏิบัติเวลานี้ต่านก็ปฏิบัติถ้าเราไม่ตัง้งรกรรมเลเวลาไว้เดี๋ยวถึงเวลาไว้ก็ไม่มันก็ไปทําอย่างอื่นได้เจ้าค่ะอาจารย์นะั่นมันก็ต้องใช้อุบายแต่ละขั้นมันมีนีท้ทุกขั้นทุกตอนมันต้องต้องหาอุบายมาทำให้เราได้ปฏิบัติเจ้าค่ะ เรื่องของแต่ละคนอ่ะอุบายของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่้วแต่ปัญญาของแต่ละคนจะพิดขึ้นไปเจ้าค่ะพระอาจารย์คะเออเมื่อกี้ได้ยินมีคนหนึ่งพูดเกี่ยวกับปฏิจจสมุทบาทอะคะ่ะฟังมาก็เคยมีศึกษาอยู่ช่วงหนึ่งหนูมไม่เข้าใจเลยเจ้าค่ะ ออพระอาจารย์พอจะเมตตาอธิบายสั้นๆให้ฟังอีกสักรอบไหมคะเผื่อจะแบบซ้ำเข้ามาให้เข้าใจมากขึ้นเน่ยเจ้าค่ะโดยมันการทำงานของจิตของเราเนี่ยที่ตอนนี้ยังถูกวิชาความหลงมันข้อบงำจิตเราอยู่มันก็เลยทำให้เราคิดปรุงแต่งไปในในตามความหลงของเราที่เราคิดว่าความสุขของเรานั้นอยู่ที่ลูกสิ่งกิตรด เราก็เลยอวิชามันก็เลยทําให้เราคิดปรุงแต่งไปหาลูกเสียงกิน่นรสโดยผ่านทางวิญญาณวิญญาณก็คือตัวที่เชื่อมจิตกับตาหูจมูกนิ้งกายนี่เจ้าค่ะเอามันมีการเชื่อมต่อแล้วแล้วตามูจมูกนิ้งกายมีสัมผัสกับกลูกเสียงกลิ่นรสมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาเป็นความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาพอเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ก็เกิดความอยากขึ้นมา สุขก็อยากได้ทุกข์ก็อยากหนีใช่ไหมเจ้าค่ะเราเกิดความสุขความทุกข์เราได้สิ่งที่เราได้เราก็จะ เ, เกิดอุปทานความยึดบ้านถือมัน่นอยากจะได้อยู่เรื่อยๆอุปทานได้สุขพอได้สุขเราก็อยากจะได้อีกได้อีกมันก็จะเกิดอุปทานพกิดอุปทานมันก็เลยไปสร้างภพใหม่เวนานลาร่างกายตายไป มันก็มันต้องไปทำต่อมันไม่หยุดความอยากมันไม่หยุดนะต้องไปพบใหม่ไปพบใหม่ก็ต้องไปเกิดใหม่เจ้าค่ะกเกิดแก่เจ็บตายตอเอาเกิดก็เจอเจอความแก่ความเจ็บความตายออกมานี่แหละปฏิญาสาบุบานเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ<น>แล้วเราจะต้องเหมือนกับว่า ทำปฏิบัตินี่นทำมาปฏิบัตินี่ก็เพื่อมาหยุดตัวความอยากนี่ไงเจ้าค่ะพอเห็นรูปสวยเห็นกระเป๋าสวยก็อยากได้เลยบอเอามาทําไมจําเป็นไหมถ้ามันจําเป็นก็ใช้ถุงพลาสติกก็ได้มันก็เหมือนกัน <laughs> ใช้เห็นใช้ผลทั่วกิเลสคนมางคนบ้าเสียเงินเป็นล้านถือกระเป๋าใช้กระเป๋าใบเป็นล้านนั่ทั้งที่ของที่ใส่ราคาไม่กี่พันไม่กี่ร้อย <laughs> <peach> บางปันเะนะี่ยเนี่ยนี่โมหะความหลงปวิชาเหมือนตอนขาเจ้าค่ะมือนได้กระเป๋าร้านเขามีความสุขถือเป็นอะไรอะไรภูมิใจอะไรต่างตัวเองกลายเป็ในเป็ในเหมนบบพระเจ้าขึ้นมาถือกระเป๋าใช้ของแพงแล้ว ต, ตัวเองเที่ยวตัวเองพระเจ้าอย่าง <c oughs> นีใช่มนั่นแะหละความหลงมันหลอกให้เราคิดอย่างนั้น <im> <im> เหมือนตอนนี้ในสังคมก็เยอะนะเจ้ะค่ะแบบถึงขนาดอะไรนะที่แบบต้องไปสร้างอะไรนะสร้างภาพแล้วก็ไปสร้างเ<ช>ว็บการพ น, นันเพื่อที่จะมาซื้อของพวกแพงๆอวดชาวบ้านเขาเจา้าค่ะจริงๆไม่มีอะไรเลยแค่อวดอยากอวดไปซื้อไปโกงเขามาเพื่อมาอวดนั่นแหละทำเขาทุกวันเน้มันหลงไลยครับวิชามันหลงหมันให้ลงให้เราไปห า, าราบแลวสารสพติดรูปสียกินแล้ว เขาคิดว่านี่คือความสุขความสุขได้มาดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมนั น, นหายไปแล้วหมดไปล้ต้องไปหาใหม่เอาเพิ่มอีกเดี๋ยวซื้อกระเป๋าเต็มบ้านมานันออกไปได้ความสุขไปได้ได้มาหมดแล้วนะเดี๋ยวไปเห็นใบใหม่ต้องซื้ออีกแล้วโยมก็เป็นหนึ่งเนี่ยนะแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำะํำไงนะต้องพยายามาใช้ใช้ปัญญาเไงวะจําจเป็นไหม มันต้องมีกระป๋ากี่ใบเวลาใช้กระเป๋าจริงๆใช้ทีละกี่ใบเอ่ะใช้ทีละใบต้องใบใบที่เรามีอยู่แล้วมันยังเสียหรือเปล่ามันยังใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ก็ใช้มันไปก่อนจนกว่ามันจะขาดมันจะหายมันไม่มีใช้แล้วกไปซื้อใหม่เจ้าค่ะมันจะชอบมีการตลาดเหมือนกับว่าถ้าเราซื้อตอนเนี้ยมันจะได้ราคาหนึ่งแต่ถ้าเรารอราคามันจะขึ้นตลอดเลยเจ้าค่ะมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่า เออซื้อตอนตอนี้แหละถูกเราอย่าไม่ดูราคาแล้วไงอย่าดูความจําเป็นเจ้าค <c oughs> ่ะดูการใช้งานเจ้าค <c oughs> ่ะถ้าเรากังวลเรื่องราคาใช้ของถูกๆไปได้หมดเรม่หรอกนม่เป็นต <c oughs> ัะอะไรซื้อของปลอมมาใช้ก็ได้ของเก๋ก็ได้ไม่มีใครเขารู้หรอกว่าเราใช้ของเก๋หรือของจริงมีคนบอกว่าใช้ของปลอมบาปเจ้าค่ะ ไม่บาปหรอของปลอมเขาก็แล้วก็ซื้อแล้วก็เสียเงินซื้อเหมือนกันเนี่ยแบบเยราไปล้วแค่เราไปขโมยของเข้ามาไหร่คนขายของปลอมบาปคนขายของปลอมบากอ่าก็ไปไปโกงด้วิกระสิบเขา้ามาใช่ไหมค่ะแต่เหมือนเราสนับสนุนไหมคะว่าแบบคือเราเองก็สนับสนุนการโกงอย่างเงี้ยเจ้ค่ะอันนี้นะะก็ไม่ต้องไปซื้อของของปลอมก็ได้ซื้อของที่ไม่ใช่ปลอมก็ได้แต่ของถูกก็มีที่ไม่ปลอมของที่ไม่มียี่ห้อก็ได้ เจ้าค่ะเราดูที่การใช้งานเราดูที่การใช้งานเป็นหลักอย่าไปดูที่ห้อเจ้าค่ะพระอาจารย์คะอวิชากับความอยากนี่เหมือนกันไหมเจ้าค่ะอวิชาเป็นเหตุที่ทําให้เราอยากเจ้าค่ะอวิช า, วามันหลอกเราว่ากระเป๋าหนังสวยได้มาเ้าจะมีความสุขมันก็อยากขึ้นมาเจ้าค่ะพอเราไปเห็นแล้วสุขพอเห็นแล้วเราไปกินพอเรามองอะไรว่ามันเป็นของดีของ ของทาให้เราสึกเนี่ยลเร า, เราสแสดงเอ า, าวิชานะเพราะความจริงของอะไรต่างๆมันไม่ได้ให้เราสุากแบบนี้มันจะทําให้เราทุกข์ใช้มากกว่าเจ้าค่ะพอได้มาแล้วต้องคอยดูแลรักษามันแล้วใช่ไหมเจ้าค่ ะ, คะนี่ทุกข์อย่างหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดมันหายไปก็ทุกข์อีกอย่างนะเจ้าค่ะแล้วมันไม่มีปัญญามันอะไรมองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่ง ต, ต่างๆกลับไปเห็นว่าเป็นสุขแล้วก็มาล้องห่มล้อมให้กันโวยวายกันะ ไปแจ้งความกันบ้าบอเกาะแตกในเรื่องมีลาบันใ น, นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นใช่ไหมใช่เจ้าค่ะทุกข์ว่าไปเกี่ยวข้ อ, อ, ของกับของนั่นของนี้นั่นแค่ใช้ถ้าเกิดฝนมันตกแล้วแล้วกระเป๋าเปียกก็ทุกข์มากเลยเจ้าค่ะทำไมไม่ใช่ผมก็เด็กบังระบาท้องบาทนี่เนงะี้ยรองก๊อปแกรนี่กนะันน้ําได้ดีด้วยใช่เจ้าค่ะเบาด้วย ของดีๆใช้กับไม่ชอบชอบใช้ของไม่ดีแต่ราคาแพงแ้นัจระเก้อะไรี้ติดชื่อซีซีหน่อยอ่พระอาจารย์คะในปฏิจจสมุติบาทนะคะเขาจะมีเหมือนกับอธิบายว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยก็คือ แบบหลายๆอย่างต่อกันไปอ่ะเราไม่จําเป็นต้องไปท่องใช่ไหมคะคือเอาตังให้เข้าใจที่เราพูดไงเอาวิชาเป็นตัวปั่นให้สำคัญไปคิดอยากได้นู่อยากได้นี่จะบัรยายอยากได้มันก็ต้องไปเชื่อมต่อกับร่างกายเอวิชานี่มันอยู่ในจิตเนี่ยจิตเป็นจิตมันต้องไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็ต้องไปทิ้ตามิ้งจมูกทิ้งกายอันนี้คือ เจ้าค่ะคือให้เราทราบไว้ถึงทั้งหมดของขบวนการที่มันเกิดใช่ท่า<อ> น, นเองตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวความอยากตัวอุปทานของตัวนี้เจ้าค่ะเราเห็นวิธีหยูย่ความอยากก็ต้องเห็นไตรลรกษณเห็นว่าันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเจ้าค่ะแล้วอาจารย์เขาเวลาสมมุติว่าเราเกิดความอยากมาละเรารูล้ละอ่ะอาวิชาเกิดปุ๊บ เราจะต้องคิดถึงวงจรมันไหมคะหรือว่าไม่ต้องอตัดมันเลยเห็นว่ามันทุกข์ของให้เห็นว่ของที่เราอยากมันทํา ใ, ให้เราทุกข์ไม่ใช่ทําให้เราสุขเจ้าค่ะนอกจากเป็นของที่จําเป็ น, ข อ, ปนของที่เรามาเลี้ยงดูร่างกายอันนี้ก็ต้องยอมเป็นของจําเป็นเช่นข้าวทั้งน้องเวลาต้องกินต้องกินแต่จำเป็นต้องกินข้าวในร้านหรูอหลาไหมเจ้าค่ะกินข้านวถนนก็ได้นะอีกเหมือนกันอ่าใช่เจ้าค่ะนด่น อันนั้นต้องใช้ปัญญามาสอนใจอย่าไปหลงบางคนต้องกินร้านในโรงแรมกินร้านหรูหาหมดไปนหมือนสองโดยถึงได้ถีงได้กินข้าวมันจะมีความสุขโง่แบบโง่ย่างไวิชาใช่ไหมกินข้าวแค่ร้อยบาทมันก็อิ่มได้ข้างถนะ ตอนแรกหนูคิดว่าเรื่องนี้มันยากมากเลยเจ้าค่ะเพราะว่ามันจะมีคําศัพท์อะไรเยอะแยะเลยเจ้าค่ะที่ต้องมานั่งตีแล้วก็ต้องดูทีละอย่างไปอันนี้ก็ต้องเกิดอันนี้อันนี้ก็ต้องเกิดนี่หนูจําไม่เห็นจะได้เลยเจ้าค่ะมันจะไปจำมันทั้งหมดนี่เขาสแสดงการแสดงการทํางานของจิตที่ถูกวิาวชาหลอกบังคับให้ทำแต่ตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวความความอยากนี่แล้วความอยากมันก็จบ ก, ก่อจะเอาวิชาความหลง คิดไปเห็นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีแต่ยังไม่มีอะไรเดียวในโลกนี้เพราะมันเป็นของไม่เทียมได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วหายไปมันก็ทําให้เราทุกข์ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเราอย่าไปมีไม่ดีกว่านะยังไม่มีลูกก็ต้องทุกกับโลูกใช่ไหมเจ้าค่ะเอ ม, มีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนนะใช่เจ้าถ้าหนูไม่แต่งงานหนูก็ไม่ต้องมาทุกข์กับแฟนแล้วตมาทุกข์กับลูกใช่ไห เจ้าค่ะไอโงไ่ไลไม่มีปัญญาเคยเกิดความอยากมีแฟน่าพอมีแฟนก็อยากมีลูกไปไหมเจ้าค่ะแล้เดี๋ยวลูกมันโตขึ้นมาในล้วคุณเราก็เสียใจทุกเองแต่ตอนนี้หนูเริ่มคิดได้หลายอย่างแล้วเจ้าค่ะว่าแต่ตอนนี้หนูมีลูกหนูก็จะแบบคิดว่าหนูจะไม่บังคับลูกอ่ะให้แต่งงานหรือว่าต้องมีลูกแบบเหมือนกับแบบสมัยก่อนที่พ่อแม่ต้องคิดว่าเออ เออต้องมีต้องแต่งงานนะต้องมีลูกนะมาเลี้ยงเราอะไรเงี้ยตอนนี้หนูไม่คิดแบบนั้นแล้วเจ้าค่ะเวลาเห็นเราเป็นทุกข์มากประสบใช่ไหมตอนนี้หนูเที่ยวมันเป็นทุกข์ค่ะหนูก็คิดว่าลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาเขาจะแต่งงานไม่แต่งงานเขาจะมีลูกไม่มีลูกหนูจะไม่ไปไม่ไม่ไม่ไม่ไปไม่เอาใจเราอ่ะไปกําหนดอะไรอีกแล้วเจ้าค่ะไว้ให้เป็นเรื่ของเขาไปอยากจะมีก็เรื่องของเขาเขไม่อยากจะมีก็เรื่องของเขาไปเจ้าค่ะ เรามีหน้าที่เลี้ยงดูเขาก็พอนล้ช่วยเหลือเขาก็พอนล้ถ้ า, ขาเขาเดอดร้อนอะไรก็ช่วยได้ก็ช่วยไปเจ้าค่ะแล้วก็อย่าไปหวังให้เขามาเลี้ยงดูเรามราช่วยเราเจ้าค่ะคนบางค น, นก็กระตันอยู่ก็มีไม่กระตันอยู่ก็มีเจ้าค่ะเยอะเลยเรยาบุญไปแล้วเจ้าค่ะมันจะต้องแทนบุญคุณหรือไม่ก็เลี้องมันไปเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์และน้องอนุโมทนาบุญทั้งหมดของพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะอาจารย์เขาวันนี้หนูถวายน้ําสมุนไพรแล้วพรุ่งนี้ปากพี่เอถวายน้าพี่ปาทูด้วยเจ้าค่ะอาจารย์เดี๋ยวก็จะถ่ายรูปส่งมาให้เราเนี่ยเดี๋ยวก็ถ่ายรูทุกเช้าแล้วถือเจ้าค่ะโอเคที่คุณสมชายสมชายอยู่เปนซีเวเนียทํางานอยู่แล้วสมชาย กับท่านพอาจารย์ตอนเดียนครับทางานครับทังหวัดว่าซ่อมเรือซ่อมอะไรนี่แห่ะก็ดีว่าครับผมไม่ได้ใช้อยาที่ช่วยนอนหลับเลยมาระยะนี้สีต่อมาไม่เชี่ยนะใช้พุทโธใช้สตินี่านะใช้พุทโธพุทโธแล้วบางครั้งผม พุดโทวันพุดโทรนับไปจนป้องที่ถึงสามพันะครับและหายไปเลย uh huh. ครับ mm hmm. ก็ mm hmm. ใช่ได้ครับผมอยากจะแชร์นี้สักหน่อยว่าการที่การที่โปรแกรมของของการธนาคารที่ต่างนู้นนะฮะผมผมก็โดนแต่ที่นี่เขามีเขามีระบบให้ดีขึ้นแต่ผมขอแนะนำ ที่ที่สั่งซื้อออนไลน์เนี่ยจะต้องมีค้าทั้งสองเล่มครับต้องซื้อสองเล่มแบบว่ามาสเตอร์จะให้ใส่ไปธนาคารนะครับเพราะว่าการระบบท่านรู้ครับอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าผมท่านเป็นเอนจิเนียร์มาก่อนผมก็เข้าใจแต่ว่าอันนี้หลักวิธีของการโปรแกรมนี้ เขาเขาบออกการใช้ระบบต่อต้านครับอันนี้ก็ขอแจรให้ให้แค่นั้นเองครับแต่ว่าต้องใช้สองเล่มครับ s ระสวดนี้จะต้องเปลี่ยนทุกสามเดือนครับต้องเปลี่ยนครับของเนี่ยแต่ว่านี่ก็ขอแนนขอแชร์ให้ท่านที่ที่โดนหลอกลนะครับก็ <c oughs> <c oughs> แค่นี้นะครับแต่ว่า <Okay. S 1> ผมก็บางครั้งได้ได้เดือนนี้จะไปกินข้าวเบิร์ดเเขา อาหารเย็นตักหนึ่งแล้วก็ส่วนมากก็ดีครับที่ที่เอาคำท่านมาใช้าบำรุงชีวิตตลอดมาครับก็อขอบพระคุณมากครับโอเคสาธุจ่าไปวิ่งไปร่เงงานาะ น, นะคุณบางวาไรคุณท่ายอ ขับพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าถ้าพูดถึงกิเลสนะคะหนูทํางานโรงแรมอะค่ะหนูก็จะบอกหนูก็จะสามารถการันตีได้เลยว่าใครที่ไปโรงแรมค่ะเราไปใช้บริการนี่คือแพ็กิเลสหมดทุกคนเลยครับ <c oughs> ซึ่ ง, ซ, งซึ่งพอเราทํางานโรงแรมเราก็จะรู้อยู่เรื่อยๆค่ะว่าถ้าไปทานอาหารเราก็จะเจออาหารอร่อยอร่อยอะไรน่าทานน่าทานหรือว่าไปนอนห้องพักอะค่ะเขาก็จะเตรียมเตียง <c oughs> นอนนุ่มๆหรือบริการชันเลิศๆอะคะ่ะ <c oughs> ให้ให้กับ ให้ให้กับคนนะคะเพราะนั้นคือถ้าที่ที่ตอบสนองตันหาของคนไงคือโรงหนูก็เลยหนูก็หนูมาชอบตรงที่หนูชอบไปนอนกลางเต็นทคะ่ะนอนกับดินกินกับทรายอะไรอย่างนี้มันง่ายกว่าแล้วก็มีเวลาอยู่กับธรรมชาติอยู่ตัวเองอยู่แบบภาคทุ่งตรงนี้ค่ะแล้วพอดีพอมาไถึงตรงเนี้ยมันก็เลยมันก็เลยเข้าใจ ง, ง่ายว่าพอพอเราอยู่แบบง่ายๆคะ่ะเวลาไปปฏิบัติธรรมแล้วมันทําให้เราสงบ สงบได้เร็วขึ้นกว่าปกติไม่มีอุปรสรคถ้าคนไปอยู่แบบรู้หลาเนี่ยไปอยู่ปฏิบัติทำไม่ได้ยากเลยเจ้าค่ะแล้วก็ฝา ก, กขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่าวัาวนนี้ที่ที่แอดมินของพระอาจารย์โพสต์เรื่องหนังสืออสุภะอะค่ะหนูพอดีหนูทานข้าวเสร็จแล้วอะค่ะแล้วพัเที่ยงแป๊บนึงหนูก็มานั่งเปิดหนังสือดูอะค่ะหนูชอบมากเลยเพราะว่ามันจะมีอรายละเอียดหลา ย, ลา ย, อ, ยาอย่างเช่น คำว่าเล็บนะคะมันก็จะมีคำว่าหนังเล็บคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเข้าใจมากขึ้น<ด>อีกตัวหนเ่งที่อ๋อกับขอบพระคุณวะจามเถอะค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เขาถือผู้ชายเขาถือหนังหนังหุ้มกระดูกนะคะเราเห็นเป็นเนื้อ<ม>อะไรทั้งหมดค่ะอันนี้หนู ห, นหนูเห็นแล้วโอ้แบบเป็นแบบเนี้ยไอตัวหนึ่งก็คือกรีดตรงตรงกลางกบไปแล้วจะเห็นอวัยวะทั้งหมดอันนี้คือเห็นเไม่เลยค่ะ S <S <S <S เซตจบไหมเรียบร้อยแล้วจ้ะค่ะแต่แต่อตอนต้นแรกเราก็สองจิตสองใจก็คนเดี๋ยวจะดูว่าจะเป็นลมอนะไรต้องเขียงไว้ว่า <S <S สำหรั บ, รบผู้ปฏิบตัติธรรมต่างนันค่ะแต่ว่าหนูว่าหนูดูแบบแน่หนูดูง่ายแต่หนูว่าเมื่อประมาณสิบปีก่อนต้องเป็นเอแล้วต้องไปเยี่ยมพนักงานที่เขาอยู่โรงพยาบาลค่ะ นิ้วขาดหรืออะไรเงี้ยหนูไปเจอของจริงแล้วหนูเป็นลมแต่ว่าเดี๋ยวคราวเนี้ยหนูจะลองดูว่าถ้าหนูได้ไปเยี่ยมพนัก ง, งานที่โรงพยาบาลอะไรงี้ยแล้วเจอเคสแบบหนักๆ น, ก น, กนี่หนูจะสามารถที่จะแบบไม่ให้ตัวเองเป็นลมได้หรือเปล่าอใชยได้ป่ะค่ะมีเคราเนี้ยค่ะพรอาจารย์กับขอบพระคุณอีกครั้งเมื่อค่ะเรายาฝึกสมาธิบ่อยๆเพราะว่ามันจะเงยเชยได้ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะคที่คุณนมอสุทธาเสน มาถึง ท, ทานี้เป็นยังไงปฏิบัติอยู่หรือเปล่าปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะท่านาาอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะถามามาไม่มีไม่มีคําถามาไม่มีคํำถา ม, มออโอเคงั้นไปที่สุดตายต่อเนื่องวัฏฏยาลอมการนักสการครับท่านอาจารย์อะเป็นยังไงก็ ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็พุทโธตามพระอาจารย์ว่ะพุทโธได้แป๊บเดียวก็หายไปเลยค่ะพระอาจารย์ในเวลาพยายามทําไปเรื่อยๆเจ้าค่ะไม่มีอะไรค่ะมารวมรับฟังค่ะทาแต่น้อยไปหามากอ่าพยายามควพยายามพิจารณาความสมัยนี้นะโอเคแต่ต้องบังคับนะต้องกําหนดวันต้องกําหนดต้องมีแผนแผนของการปฏิบัติ จะทำตอนไหนเวลาไหนพอถึงเวลาแล้วก็ต้องห้ามวิดเพลยวต้องทำตามที่เราตามต า, าแผนันทีอันนี้หนูเป็นหนูปโมกับคนที่วัดไว้ว่าเดี๋ยวถ้าพรรษาได้หนูจะหาที่ไปแบบว่าไปไปพักที่ที่วัดหรือว่าที่บนบเาบขาอะไรเงี้ยทุกวันพาอย่างเี้เละใช่ใช่คะ่ะเพือพ่ อ, อ, อนๆก็แนะนำอย่างดีมากเลยหนูก็บว่าสงสัยข่าวนี้องตั้ง ต้องจำใจปากที่ว่าเราพูดไปแล้วเราคงต้องรักษาสัจจะนะคะอาจารย์จะใช่เราไม่รักษาสัจจะตั้งไปก็เส uh, uh, ียเวลาไปไม่เก anyway> ้ดประโยชน์เใช่ค่ะอาจารย์คิดว่าภาษานี้คงได้ได้ปฏิบัตินะคะอาจารย์เห็นไหมวันแรกวันวัาต้องเอสิแปวันใช่ค่ะเดี๋ยว่าเนี่ยตอนนี้มันต้องมีเก้าแรกแล้วละคะใช่แต่ก็ ใจเต้นตุต้มตุ้มต่อเหมือนกันมาอาจารย์ไม่เป็นไรเราเราดูใหม่หัดขับไปงี้งั้นค่ะ<า>ต่อไปก็ทำนานเลยต่อไปก็ ส, ส<า>อบอกขบคุณมากค่ะีลังใจนะคะอาจารย์จะไม่ยาวค่ะคุณต่ยัายเชิญหายน้าไปลา น, ปนไปไหนมาทัตสการครับัสตสการ์ครับอ่าได้ยินแล้วเชิญครับก็ ที่ไม่ได้หายหน้าหรอกครับเพียงแต่ว่าถึงเวลาจะเข้าซูมหรือเข้าฝากก็ติดภารกิจอยู่ก็เลยไม่ได้ เ, เข้าแต่ว่าใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่อยู่กับฝึกสติกักบชีวิตประจําวันแล้วก็กับประถนบ้างอันนี้ผมมีคําถามที่จะเข้ามาถามวันเนี้นะครับก็คือเมื่อเดือนเมษาในก่อนสงกรานเนี่ยผมได้มีโอกาสไปเก็บขยะก็นึกสนุกจริงๆนะนึกสนุกนะฮะเดินเก็บขยะ ทางขึ้นดอยของวัดแห่งหนึ่งพอเก็ตไปสักพักหนึ่งเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกมันเหมือนกับเวลานั่งกรรมาฐานมันดิ่งจนเหมือนกับมีสมาธิแล้วก็มีความสุขเหมือนนั่งกรรมาฐานผมก็เลยยืนหยุดนิ่งในท่าของจงกรมแล้วก็หายใจเข้าออกเข้าออกดูอารมณ์ตอนนั้น นะครับผมก็เลยมีคําถามว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอุปทานหรือเปล่าก็ถ้ามันมันเป็นของจริงมันก็ไม่ใช่เป็นอุปทานเราต้องไปคน้นด้วยเองความจริงห <Lisa> รือไม่จริงมีความสุขไปสุขในครับนี่ท่บหรือเปล่ปาค <mulheres> ร <ập> ับตอบงั้นก็อันนี้ผมตอบแต่งั้นหมายความว่าในการทําให้เกิดความรู้สึกแบบเนี้ยการมีสติ กับการทํางานอยู่ตลอดเวลาชทําให้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ปอดนั่งกรรมฐานใช่เวลาจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่จริงครับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนเป็นเด็กนั่งอยู่บนเดยอดใต้ต้นไม้มันก็สงบขึ้นมาเองได้ครับตอนนี้มันก็เลยต่อเนื่องมาเรื่องของชีวิตประจําวันส่วนตัวบางทีอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาอีกเฉยๆอ็ให้รู้ไปว่ามันเป็นอย่างนี้ คถ้าเรามีสติคอยคุมใจมันก็จมันก็จะเฉยยันเน่งได้ครับอันนี้ถ้าหากว่าระหว่างชีวิตประจําวันเนี่ยอยากพุดตัวอย่างเดินอยู่เนี่ยแล้วมันเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันแรงขึ้นแรงขึ้นแต่ก็ยังมีสติคุมอยู่นะครับอควรคว ร, ควรจะทํายังไงต่อไปครับในชีวิตประจําวันถ้าเราถ้าเราอยู่เฉยๆ้วก็อยู่เฉยไปยืนเฉยๆนั่งเฉยๆไปๆให้มันสงบไป แต่ถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องทําอะไรเราก็ต้องฝืนไปครับหยุดไปก่อนใช่ไหมครับเออหยุดไปก่อนอ๋อครับแบบแบบเนี้ยมันเท่ากับว่ามันเป็นผลจากการที่เจริญสติเรียกว่าเจริญสติแล้วกันมีสติในทุกอนิจจบทใช่ไหมครับใช่ถึงตองอมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติครับผมครับก็มีคําถามประเด็นราคาก็ยัง แล้วก็อย่าไปยาให้มันเกิดเวลามันไม่เกิดก็ไม่ต้องไปยากอ๋อผมผ่านแบบฝึกหที่ว่าเราทําเรื่องความอยากฉลาอกได้หมดละมันยิ่อยากมันยิ่ไม่เกิด่ไหมครใช่ครับผมครับก็ช่วงนี้ก็ยังเน้นไปทางด้านของทําแบบฝึกัดประสบการณ์ดีทำสติให้ดีติครับเน้นเรื่องสติเป็นหลักให้มันสงบอยู่เรื่อย ครับเพียงมันสามารถสงบได้ในทุกกิริยาหมดไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในท่านั่งอย่างเดียวถ้าสติมันดีนะครับก็ถ้าแบบโมโมการข่าวาอยู่จะเกิดเลยฮะเหมือแบบโมโมอยู่แล้วมันเกิดเบาๆแต่เราก็รู้สึกอยู่นะครับ อ, อดคบีครับผมครับขอบคุณแล้วเราเบาสบายแล้วยังทำอะไรได้ก็ทําไปถ้ายังทําะไรได้ก็ทำไปครับผมครับครับผมขอบขอบขอบผมขบก็คุณครับทําแบบบริหัรต่อไปครับ ่าน้องเลนแม่น้องเลนยังไม่เปิดเลยฮัลโหลขอคุณได้ยินไหมเจ้าคะพระอาจารย์ได้ยินนะได้ยินนะกับค่ะกบสาธุเจ้าค่ะค่ะอะไรไหองหนูเหรอเจ้าค่ะของหนูก็เตรียมตัวจะไปหาหมอพุ่งนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ลางาน ก็ไปคุยเรื่องที่มีปัญหาต่อสมองต่อไปก็มดลูกเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เป็นือนรถรถยนต์กันเองอ่ะมันเสียก็ต้องเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะก็ก็คงจะต้องบอกแพทย์อะค่ะว่าก็คงจะเอามดลูกออกไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ยอมเสียไปไม่มีปัญหาค่ะเรื่องการผ่าตัดเพราะว่าก่อนหนูจะมาถึงสมองหนูก็ลดความใช่ไหมเจ้าค่ะช่วงที่ลถความ เจ้าขาพระอาจารย์ช่วงที่หนูลดความตอนนั้นน่ะไส้แตกหลังหกักสามทอนพระอาจารย์ก้นกกแตกด้วยตอนนั้นหนูเลยแบบก็เลยโชคดีที่ปฏิบัติมาเจ้าขาพระอาจารย์ก็เลยได้บพอหนูไปอยู่แอมบูเลน์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาก็จะกลัวว่าจะต้องซีพีอารหนูอะไรเงี้ยหนูบอก ว, ว่าเอาไม่ต้องทานกำลังกำลังฟุกช็อตกลั ง, ลงทํงาวิปัสสน์กำลังฝึกสมาธิอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะกังวลมากแต่หนูก็ ได้ประสบการณ์เจ้าค่ะก็คือได้ไปเห็นคนไข้ผู้ป่วยอย่างเงี้ยเตียงซ้ายก็สิบร้อเหยียบเตียงขวาก็เตรียมเข้าห้องผ่าตัดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ใช้ตอนที่ปฏิบัติก็ได้เอามาใช้ตอนที่ตัวเองก็เจอเหมือนเหตุการณ์คนอื่นที่ได้เป็นนะคะก็เลยได้ประสบการณ์พอมาผ่าสมองก็เอาหนักๆเลยเจ้าค่ะเปิดกระโหลกไปสีรอบแล้วก็ใส่อุปกรณ์ใส่เครื่องระบายลงกระเพาะไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอรอบนี้ก็ อาออีกก็หนูวันนี้หนูก็มาดูว่าเอ๊ะเลือดมันไม่หยุดจริงๆก็เลยไปดูเอ่าค่าความเข้มข้นของเลือดเจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันก็ต้องตกตกจริงๆคือเริ่มตกลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยจะไปคุยกับหมอว่าถ้าจะผ่าผ่าได้เลยเพราะว่าถ้ายิ่งปล่อยให้ลงเนี่ยการผ่าตัดมันจะยิ่งยากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเลือดมันจะซีดแต่ว่าเพกหนูก็เลยสงสัยว่าทําไมเพลเลดมันขึ้นสูงกลายเป็นว่า ซีดแต่เลือดเลือนสูงขึ้นนะเจ้าค่ะแต่ว่าเลือดอม้นลูกเนี่ยยังไหลไม่หยุดเจ้าค่ะแต่ว่าตอนเจาะเลือดวันนี้ยผจารย์คือตอนเจาะไปในเส้นเลือดหนูใหญ่อยู่นั้นเจ้าค่ะคนเจาะเลือดเนี่ยจะดูดเลือดออกเนี่ยเขาถึงขั้นต้องขอเลือดด้วยเจ้าค่ะหนูก็บอกร่างกายหนูขอเลือดด้วยมันถึงจะผุดเลือดออกมาหนูก็ยังมงว่าขนาดร่างกายหนู แต่ก่อนนี้เจาะง่ายมากพอวันนี้จะดูความเข้มข้นของเลือดเจ้าค่ะก็ยังยากเลยเจ้าค่ะต้องขอร่างกายด้วยว่าขอเลือดด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยคุยพร้อมกันกับคนเจาะค่ะวันเนี้ยถึงได้เลือดมาตรวจดูค่าเลือดว่าอุ่มเริ่มซีดลงอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เออรักษาไป เจ้าคะ่ะกายก็เฉยไปไม่ต้องไปทุกข์กับมันจเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะหนูก็เลยว่าเหมือนประมาณว่าโอ๊คเกิดมารอบนี้หนูแบบเหมือนเอาเรียนเรียนคือหนูเป็นพยาบาลใช่ไหมเจ้าคะ่ะไม่ได้เรียนเฉพาะทางนะเจ้าคะ่ะแต่ว่าเป็นทุกเป็นเหมือนทุกระบบเลยเจ้าคะ่ะโอ้หนูไม่ต้องไปเรียนเฉพาะทางเลยเจ้าคะ่ะเป็นเอาทุกระบบไปเลยหนูมันเหมือนกับคนไข้มันกับการเรียนเฉพาะทางไปเลยเจ้าคะ่ะ <c oughs> เอาสม <Okay. S 1> องไปด้วยเอาถุงน้ําดีหนูก็ไม่มีนะเจ้าคะ่ะเสียบไปแล้วทอนซินก็ไม่มีคืออูมันเริ่มหายไปหลายๆจุดเจ้าคะ่ะก <Okay. S 1> <Okay. S 2> ็ยางอยู่ได้ก็เทวเก่งนะนูหนูว่าอูหนูว่าถ้ามาเทียบระหว่างร่างกายนี้ถ้าเทียบกับความพิการนี้แต่องดีตรงที่ว่าพยายามกูะคะ้ค่ะพระอาจารย์ถึงแม้จะผ่าตัดมาเยอะคือไม่ไม่ไม่ได้ต่อไปเป็นการฟอกไตยอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะคือ พยุงให้แบบค่าแบบมาปกปติอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์<ม>แล้วก็พอใช้พอหนูก็เอามาประเมินเพลงสกอร์ใช่ไหมเจ้าค่ะเวลาเวลาเป็นพยาบาลเราจะมาประเมินคนไข้คือความปวดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์จุดเนี้ยแหละที่หนูวาผ่าสมองอ่ะพยายามไม่ได้ขอยา ม, มากหนูจะมาใช้เกี่ยวกับการปฏิบัตินะเจ้าค่ะการภาวนาไปอยู่กับลมเลยค่ะทิ้งร่างไปเลย มันก็จะได้แค่มันก็จะอาจจะปวดหนูก็ขอแค่ประครบเจ้าเจ้าข่าพระอาจารย์ตรงบริเวณที่ปวดแค่นั้นเองแล้วก็ภาวนาจะไม่ค่อยได้ขอยาหมอทําให้ปวดมากถึงท่านต้องขอภาลาหนูจะไม่ค่อยขอเจ้าข้าพระอาจารย์ส่วนใหญ่จะประครบเย็นเยนใช้ทํามะโอสนีิค่ะทำใจใช้เจ้าค่ะหนูก็เลว่าใช้ธรรมะโอสนหนูก็เลยได้เห็ น, หนการทํา ง, งานของเพื่อนๆพี่ๆ น, น้องๆในการปฏิบัติะคะ่ะคือแบบเต็มที่กันมากๆเลยเจ้าค่ะ <Okay. S 2> หนูก็ต้อง หนูก le, alright, okay. Okay. So, ็เลยได้โอ้โหได้ประสบการณ์ตรงนี้ยค่ะเกี่ยวกับการประเมินความปวดเนี่ยเราเจ้าค่ะได้ธรรมะเนี่ยมาใช้ตรงตรงนี้จริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ธรรมะโอสถเนี่ยช่วยระบบได้ทุกอย่างมันเลยมันก็เลยเวลาหนูเป็นไอ้พวกเกี่ยวกับเนี้ยในการผ่าตัดหนูก็จะมองเป็นปวทดสอบตั้งแต่เท้าจนถึงสมองเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ในการในการนํามาใช้เจ้าค่ะสู้ต่อไปนะเจ้าค่ะอัศวุขค่ะ ทำไเป็นแอปแต่อเชียงใหม่เนี่ยังอยู่เชียงใหม่หรือเปล่ายังอยู่เชียงใหม่ครับพอาจารย์มีอะไรไมีอะไรเอ่อพระอาจารย์ครับผมฟังเทศจากหลวงตามหาบัวครวงตาท่านจะบอกว่าเอาวิชาปัตญาสังฆาราเนี่ยมันคือความหมายมันคืออะไรอ่ะครับความว่าวิชาแปลว่าควาว่าความไม่รู้ความไม่มีวิชา อ่ะแปลว่าไม่มิชาแปลว่าความรู้ไม่มีความรู้ในธรรมก็เลยทําให้มันไปสั่งให้สังขารความคิดปรุงแต่งไปหาความสุขทางโลกไปหาโลกธรรมหาลาภยุสสาร ส, สุขแก่ความหมา ย, ยนะถ้ามีปัญญามีธรรมะมันก็บอกว่าโลกมันเป็นทุกโลกธรรมเป็นทุกอย่าไปหามันเลยมาหาธรรมะดีกวามาหาภวามสงบดีกว่า อย่างอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมผมเคยไปกราบพระอาจารย์ทีนะครับแล้วผมก็เคยซื้อน้ำปนานะไปถวายพระอาจารย์แต่ตอนนั้นผมเป็นโรคประสาทหนักมากเลยครับแต่พระอาจารย์ก็บอกว่าให้ไปปฏิบัติที่ทำนัตหลวงูฟักนะครับหลวงูฟักสันติธรรมูครับที่วัดเขาน้อยครับผมแล้วก็ผมก็ไปผมก็ไมาได้ไปปฏิบัติจนผม ได้ยาทางเคมีอะไรเงี้ยครับทำให้ผมได้ดีได้ดีขึ้นแต่ผมก็ละเลยทางธรรมมาครับแต่ผมก็ยังมีถ้าวันไหนวันหนึ่งรักผมรักษาสี่ห้ารผมไว้ะมาทสมาธิคกับผมพยายามาทำไปมาโอเคนะมีอะไรครับครับกาจารย์รายงานการปฏิบัตินิดหน่อยครับมาามา ครับปฏิบัติมาก็ในช่วงปีนี้ก็เข้มข้นขึ้นอย่างเช่นวันพระก็จะไปอยู่วัดแล้วก็ช่วงอ่าผ่านมาปีนี้มันมีมาคะมาค้าก็จะอยู่สามวันสงการสามวันวิสาขะสามวันมาค้าก็ฝึกอย่างที่พระอาจารย์บอกคือนั่งไม่ให้ให้ให้ให้อยู่ประมาณหกชั่วโมงอ่ามันแต่คือความยากมันก็ยังอยากเยอะครับ แล้วก็ล่าสุดวันวิสาขามาก็คือไม่เคยยังไม่เคยครับก็เลยลองเนสันชิตดูครับจากเนสันชิดไปอีกวันหนึ่งกว่าจะหลับมันก็มันจริงๆแล้วมันก็ไม่หลับครับมันก็หลับประมาณสิบเอ็ดโมงบ่ายบ่บ่ายโมงกว่าก็ตื่นแล้วมาฟังพระอาจารย์ต่อแล้วมันก็ไปผมปฏิบัติจนเดินเดินเท้าเนี่ยแตกเพราะผมเดินมันเป็นทางคอนกีตครับอาจารย์ เดินนี่เท้านี่แตกหมดเลยเพราะเดินวันหนึ่งต้องมีสี่ห้าชั่วโมงครับก็ปฏิบัติโดยที่ผมลองดูเฉยพี่อาจารย์ผมว่ามันอาจจะตึงไปครับแล้วมันก็ไม่สงบมันก็มีความท้อวันที่สานี่มันเริ่มท้อมันท้อมันไม่มันไม่สงบครับอาจารย์มันก็เริ่มท้อแล้วก็แต่ก็คือก็ไม่เป็นไรท้อแต่เรามันมันมันท้อเฉยๆแต่วันนี้มา วันนี้กลับอยู่ที่บ้านมันสงบวันนี้อยู่ที่บ้านมันโอเคฟังคําเทปของพระอาจารย์จบหนึ่งการก็มาณชั่วมงสี่สิบกว่าแล้วก็เอาสู้อยู่อีกสักพักหนึ่งต่ลืนตามาครับอ า, าจารย์ทีนี้มันโอเคครับสงบครับอ า, าจารย์แต่คือสงบโดยที่ว่าผมบังคับลมนะครับอาจารย์บังคับลมบังคับลมให้ลมมันแบบเบาๆตัที่นี้มันเงียบไปเลยครับสงบแล้วก็ ประมาณนี้ครับก็บางทีดูเราอย่าไปบังคับเราให้ดูเฉยๆมันจะยากเรื่อเอียดครับเป็นเรื่องของมันถ้าเราไปบังคับมันจิตเรามันต้องทำนานแล้วมันจะทําให้จิตเราสมองไม่ได้ครับแล้วก็ได้มันก็ได้คําสอนของผู้อาจารย์มาคือมันมีบทคสอบข้อสอบเยอะครับช่วงหลังมันมีข้อสอบเยอะปุ๊บ ข้อสอมันมันกระทบใจเยอะเพื่อจะได้ได้ธรรมะาของพระอาจารย์พอพราะเราเกิดมาเนาะดันที่เรามาเกิดมันก็เลยเป็นเราก็ต้องเจออุปสรรคแบบนีถ้ถ้าเราไม่เกิดถึงถ้าเราไม่เกิดถึงเราจะผ่านพบเออเราจะผ่านมาันมันไปได้ครับอาจารย์ใช่โทษอย่าอย่ไปโทษคนอื่นโทษตัวเราเนะี่ยเป็นกรรมของเราเราเราดัาา น, านมาเกิดเองถ้าไม่ถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ต้องมาเจอเรื่องน่าหรอกครับ มันมันมันได้คําสอนของพระอาจารย์ได้และคือคือเจริญสติด้วยคือปกติของเป็เจริญทั้งวันอยู่แล้วครัพระอาจารย์ถ่าในกรณีเราไม่ได้ทํางานหรืออะไรเราก็จะถึงมากระพุโตไม่พุโตก็ดูกายยกตาสติเราก็ดูร่างกายของเรา <S <S ทั้งวันครับพระอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะทา<อ>ํามาเข้นข้นอยู่อพยายามฝึกไปเรื่อยๆสติสมาธิปัญญาเดี๋ยวในวันหน่งมันก็จะตกผลึกเป็นมาไม่ได้กอดผลนขึ้นไปฝึกปุ๊บ คือการฝึกนีผมว่าสติมันเหมือนง่ายครับอาจารย์โอ้โหคุณมองสู้กันจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่พอาจารย์พูดแบบง่ายๆนะครับอาารมันพูดง่ายแต่ทํายากครับอาจารย์พูดมันง่ายอูลผมลงคือมันคือเอาแบบมันก็ไม่ง่ายสำหรับเรามันก็ไม่ง่ายสําหรับเรามันก็ยากเหมือกันคนมันต้องยากอย่างนั้นนะของที่เราไม่เคยทํามันก็ยาก มันอย่าท้ออย่าท้ออย่าท้อใอ้ทำไปเรื่อยๆเหนื่อยเมื่อไหร่ก็พักแล้วพอมีกําลังใหม่ครับสูมใหม่ะออืปกติคือไมมันก็มีร้อยหนึ่งผมว่าร้อยี่สิบเลยชุดนี้คือมันโอ้โหมันแบบคือมันมันไม่คือไม่ไหวจนร่างกายมันจะไม่มันเอมแต่มันก็แต่รู้ว่ามันถ้ามันตึงเกินไปก็ผ่อนหน่อยกังอ่าตึงครับ หลับนอนก็ไม่หลับถ้ามันมัชชิมาพอดีพอดีไม่เต็มไม่หย่อนอ่ากำลังดีคือมันแค่ลองลองลองลองดูก่อนครับอาจารย์ว่ามันจะตัวตึงไปมันจะเป็นยังไงโอ้มันก็ตึงไปจริงๆครับเพราะสองสามวันผมหลับแค่สองสามชั่วโมงอะไรอย่างงี้ครับอาจารย์ตึงแล้วเราก็ค่อยๆผ่อนมาผ่อนมาครับกลับมาเราอยู่บ้านปุ๊บผ่อนเราได้พักผ่อนเพียงพอหน่อยอ๋อได้หลับสักสี่ห้าชั่วโมงปุ๊บกําลังมันมาเลยครับอาจารย์อ่าดี ทำไปเรื่อยๆต้องเลง่าคือเล่าถูกดงเป็นปกติโอกาสปฏิบัติถ้าไม่ผิดมันก็จะไม่รู้ว่าถูกเป็นยังไงครัออบอาจารย์ขอบคุณคำสอนของพระอาจารย์มาก น, นะครับอ่ากราบน้อมสักการะครับหลวงพ่อสาธุใครที่คนอาจารย์สายทิ้งข อ, อ, อนแก่นนะท่านที่ขอนแก่นทำไปอยู่บ้านครับกราบน้อมสักการะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ขอนแก่นเจ้าค่ะ วันพูดกลับบ้าน ส, ส่วนใหญ่ค่ะก็เป็นยังไงบ้างช่วงนี้นั่งสมาธิไม่ไม่ค่อยได้นานค่ะพระอาจารย์ง่วงนอนแต่ว่าได้เรียนรู้ชีวิตอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ว่าบางอย่างเราเราเหมือนเราเดินอ้อมอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มีซีเอฟต้นไม้ ai, เหมือนเหมือนคุณหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพระอาจารย์ แล้วก็สั่งไปสองต้นห้าร้อยแล้วเขาก็บอกว่าเขามาส่งสองอันหนึ่งพันสิ่งที่ได้คือคือก้อนดินกับกิ่งไม้แห้งหนูก็อ๋อโอเคตอนแรกก็อ๋อก็ดีนะไม่สั่งละทําให้หายอยากสั่งต้นไม้ไปเลยค่ะพระอาจารย์เลิกสั่งเลยว่า<ช><บ>โอเค<ช><บ>ได้ก้อนดินกับกิ่งไม้แหง้งหนูบูบอรี่เพราะว่าอยากปลูกอะไรเงี้ยค่ะ ต็ตลกดีก็ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรทีนี้ในส่วนหลังบ้านก็ก็อยากจะปลูกผักทานเองค่ะพระอาจารย์ปรากฏว่ามันใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็ใช้น้ําเยอะเราก็อยากลองแล้วก็เรียนรู้ว่ามันทําให้เราเหนื่อยแล้วก็ทําให้ไม่ได้ปฏิบัติไม่เอาแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกนั้นเหมือนทางอ้อมที่เราแบบเหมือนเราก็หลงไปอะไรเงี้ยค่ะต่อไปก็จริงๆเรากินแค่นีด้เปดรียวเองข้าวแล้วก็กินแค่นี้ผักกินแค่นี้ ซื้อหสิบาทร้อยบาทก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์แล้วเสียเงินแค่น้าเป็นพันเลยค่ะพระอาจารย์เพรอยากลองก็เลยอ้าโอเคอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็เริ่มเริ่มปล่อยปล่อยวางหรือว่าอยู่กับตัวเองอิสระมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ไม่ได้หวังว่าใครจะอะไรกับเราแต่เราก็ทําของเราไปอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์กินง่ายอยู่ง่ายขึ้นค่ะแต่ว่านักงสมาธิกับ สติสตินี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลค่ะพระอาจารย์เหมือนเราอ่หลงลงไปค่อนข้างเยอะในระหว่างวันค่ะมันคือตไม่ค่อยใช่โปดดังเมื่บางลืมลืมไปเลยค่ะพระอาจารย์แต่บางทีเราเดินเดินไปนิ่งนิ่งอยู่ๆมันก็สวดมนต์ขึ้นมาค่ะเหมือนมันจะมีช่วงที่เรานิ่งบทสวดมนต์มันก็จะขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่ลงค่ะพระอาจารย์ ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นบทเรียนสอนใจเราไปได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพยายามตั้งสติใหม่ค่ะพระอาจารย์พยายามไปเรื่อยๆค่ะถือสินแปลงเยอะกว่าไม่ได้ถืออะไรได้แค่สินหกค่ะพระอาจารย์เอ า, าไปเลน้อยกัน แอบดู y o u ูทูบแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ตืดๆแล้วก็แต่ว่าทานอาหารกําลังจะพยายามพยายามลดแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ทานตอนเย็นแล้วค่ะภาษาเหมือนกันต้องพยายามเรียนละในสิ่งที่เรายังละไม่ได้ต้องป้องกันสิ่งที่เราละแล้วอย่าให้มันกลับมาหาเราอีกค่ะภราจา เริ่มเริ่มเ่มทำงานก่อนี่จค่ะลืมสัญญาที่ให้ไปกับพระอาจารย์ด้วยค่ะเดี๋ยวตั้งใจใหม่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่านอนพื้นนี้ยังนอนอยู่แต่ว่าบางทีที่เรารู้สึกปวดเราก็ไปขึ้นไปนอนฟูกบ้างอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าถ้านอนส่วนใหญ่ก็นอนนอนนอนที่พื้นแล้วก็มีฟูกบางๆค่ะก็พยายามข้อนี้ให้ให้ได้อยู่ค่ะพระอาจารย์ไม่ให้หลุดไปง่ายหน่อย เดี๋ยวอีกสองข้อพยายามใหม่ค่ะพระอาจาร <Okay. S 2> ย์ค่ะไม่มีคำถามค่ะสาธุไปที่จอยพัทย า, า, าเาาก่าคกลา่ได้ยินได้ยินหนูไหมคะได้ยินจ้ะค่ะของหนูก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรยังคลอดกันอยู่เหมือนเดิม มีบ้างค่ะแล้วก็คิดได้บ้างมีบ้างคิดได้บ้างค่ะยิ่งหันย้อมยุดเย็นบ้างนะอย่าไปเอแพ้เชนะยังไงไหวเขาเลยให้เขาชนะไปให้เป็นพระชนะเป็นบาลเขาเข้าโม้ยอมไม่เป็นเลยนะแบบบางทีเขาเขาเขาแกล้งหนูหนูก็หนูก็สวนบ๊อบเลยหยุดเป็นคู่กรรมก็แล้วกันนะเรี่ยกเปนคู่กรรมนันค่ะค่ะแต่ว่าก็ดีอย่างที่เอ่อ ช่วยไม่สบายยังไปบ้างค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววาผ่าสค่ะค่ะค่ะอค่ะมเรียนคุณแ่จันทร์คุแ่พัทยาเหมือนกันการนมัสการพ่าอาจารย์ค่ะอ่าไปอะไรสบายดีอาจารย์สบายดีค่ะพระอาจารย์อันนี้บุตรสาบุตรสาวพระอาจารย์ก็ ก็ดีค่ะมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกตินะคะในเรื่องของกรสอบขึ้นสอบสองก็สอบขึ้นนะสวัสดี่วสดีค่ับีค่ะสวัสด่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมาัดี่ะวัสดีค่ะวัดีค่าสวัส่ะวดีค่ะวังดีค่วัสดีค่ะัสดีแล้วบางอย่กสวัสดีค่าสมากดีวัด่ะสวัส่ะนวันมะสันดี่ะสวบสีค่ะสวัสดีค่ะสดีด ี hide, ข่าวผจญต่อค่าเสียงได้ได้ยินไหมครับอาจาญผจย์ญผจญค้ะก็อาจจะเป็นเพ ร, ราะว่าเน็ตบ้งคะแต่พอพอมันเกิดขึ้นมันก็ทําให้เราได้ได้ถูกคิดว่าอ๋อถึงแม้ว่าจะความไม่เที่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ มันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่ว่าเราอ่ะจะมีสติแล้วก็มีมีความคิดนะคะรับมันได้ขนาดไะมีปัญญามองโ้นอง้องใจรับเมื่อไหร่มันก็ทั น, นูนก็เลยแบบก็เลยไม่ค่ะก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากขนาดถึงกลมที่ดินเอาจะผ่านแล้วคือมันเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่า มันจะเกิดขึ้นนะคะทั้งลูกค้าทั้งาในส่วนของตัวเองคือคือไม่มีไม่ในในในส่วนของไม่มีอะไรค่ะแต่พอมันมีเหตุการณ์อีกนิดเดียวที่จะเกิดขึ้นมันก็เลยเลื่อนอีกแล้วก็เห็นอะไรในหลายอย่างปฏิกิริยาแม้กระทั่งตัวเองพอมาถึงคือเห็นคนที่เขาผิดหวังเราก็เข้าใจนะคะพระอาจารย์ ถ้าเราไม่ได้มาศึกษาด้านนี้เราก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่คงอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วหรอแล้วก็หันกลับมาดูที่ใจว่าเรามีความรู้สึกยังไงก็เฉยๆครับอาจารย์ว่าเอาอมันเกิดขึ้นแล้วอ๋อมันเป็นมันมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็เราก็มันเดี๋ยวก็ผ่านไปหนูก็คิดว่าอย่างนี้นะคะก็ไม่มีอะไรที่ที่มันจะทําให้ใจเราเหมือนกับว่าตกหรือว่าเรา นอยหรือว่าเราท้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็เลยนิ่งๆเฉยๆเพียงแค่ว่ายอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าอา๋อมีได้มีเสียมีอะไรมีมามีไปหนูก็คิดว่าธรรมะมีอยู่ทุกวันละค่ะที่ได้พบได้เจออะไรอย่างเงี้ยพะอาจารย์อรเ อ, อสิ่งหนึ่งที่ชค่ะสิ่งหนึ่งที่ได้รู้ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเรา มันเกิดขึ้นปุ๊บหนูก็หันกลับมาดูที่ที่ใจเรามากให้ให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะพระอาจารย์ให้ให้รู้ให้เร็วอะคะ่ะอันนี้ไม่รู้ไม่ทราบว่ า, วาถูกไหมคะพระอาจารย์ถูกต้องปัญหาอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ใเรืข้างนอกเข้ามามาูมาูที่ใจดูที่ตัวใช่เราไม่เน้นดูว่าค่ะ แต่คือพอหันกลับมาอยู่ที่ใจแล้วคือปฏิจริยาอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้มีความรู้สึกนะคะอาจารย์เหมือนกับเหมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็เลยแบบ ว, าวางเฉยค่ะก็คือวางวางเฉยต่อไปก็ขับรถออกมาอ่ะอะไรมันจะเกิดก็ไม่เป็นไรก็มานั่งรับลมแล้วก็หลับตาแล้วอยู่กับตัวเอง อ่ามากยิ่งขึ้นก็เลยเฉยเฉยก็มาทํำธุระอะไรปกติธรรมดานะคะพระอาจารย์พอมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็ทําให้เราได้มานั่งมีสติคิดพิจารณาอะไรหลายๆอย่างค่ะพระอาจารย์ว่ามันมันเกิดมาแบบนี้มันให้มันเป็นเรื่องปกติที่มันเป็นมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, คะพระอาจารย์ก็ดีค่ะก็ทําให้ใจรู้สึกว่ามันมันว่างแล้วก็มันโล่ง แล้วก็เบามากยิ่งขึ้นค่ะพระอาจารย์ในขณะทุกวันก็พยายามที่จะอาฝึกสติโดยการที่พระอาจารย์สอนว่าให้ดูกายไปใจตัวเราแล้วก็ท้องพุโทโธพุโทพโธไปตั้งแต่ตื่นพยายามที่จะให้ไปอยู่จุดนี้ให้มันมากที่สุดนะครพระอาจารย์รคอันนี้ก็ค่ะ<า>ดูใจเป็นหลักใจเราเนี่เป็นตัวปัญหา อย่าไปดูคนนั้นนนี<อ>้นคนนี้ก็ไม่เพียงแต่มาเป็นตัวต่ต้นปัญหาที่อยู่ในใจเราคือกิเลสของเรา น, นั่นเนนะได้ยินไหมหายไปเลยเงียบไปเลยโอเคอ่า น, นี้ก่นอนนะคุณนี่นะอัญญานมันค่อยดี พอไปคุยบางครไปคุยกคคุยกับเพืพ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเน็ตไม่ดีค่ะพระจั์กับสาธุคขะโอเคนะขอไปได้ครออับที่กระรอนกะุ่นตอบกอนคร่กนกับนัก ส, สังพระจานย์ครับก็มีอะไรไครับก็ช่วงชวงช่ ง, ชงวันหยุดที่ไปไปฏิบัติก็รู้สึกว่าก็ก็เห็นว่าไอ้ไแบบอ้คือเวลาเรานั่งสมาธิมันก็ มันก็คงรวมได้ไหมทุกครั้งแต่ว่ากําลังเห็นประโยชน์ของถึงแม้ตอนหลังๆเราเราพมีเวทนามีอะไรถ้าเราฝืนมันก็มันก็ทําให้เหมือนกับก็ทําให้เราควบคุมใจได้ได้ดีขึ้นนะครับคือถ้าตัติถ้าเราไม่ไม่มีเวลาเราไม่ค่อยทำก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ก็ไหลกิเลสมันจะไม่ไม่ไม่ไปทษกระแสได้ไม่ม่ไม่มีกำลังที่จะสู้มันครับอ่ะลองดีถึงถึงแม้วลาเรานั่งแล้วมันไม่ไม่สงบแต่ว่าจะนั่งให้มันได้ครบให้ อะไรมันก็มันก็มันก็ยังมีกำลังอยู่ครับครับตุกๆนะครับอฮะไวได้นั่งสงบ้ากไม่สงบ้ากอย่างน้อยได้ความเพียรได้ความได้สติับไม่มากไม่มากก็น้อยมันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะถึง้าไม่ร้อยมันก็รับมาอาจจะได้ห้าสิบห้าสิบก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยครับผมครับผมนะครับ อีกอีกอันหนึ่งก็พอดีช่วงช่วงช่วงตอนที่ไปก็กสลับเดินชมพงก็สมาธิแล้วบางทีก็ถ้าพักมาฟังธรรมเลยครับผมก็ไปฟังธรรมเกี่ยวกับประวัติของพุทธสาวกนะครับก <c oughs> ็ก็ป <c oughs> กติแต่แลกก็เหมือนเข้าใจว่าคนที่จะแบบบรรลุได้เป็นพาาาระอรหันต์ชาติสุดท้ายนี่ก็ต้องแบบสร้างบุญบา ร, รมีมาเยอะมากเลยครับจะเห็นอย่างพระศิวลีก็แบบเหมือนโกนศีรษา สี่ครั้งก็เป็นป้าอรหันแล้วแต่ว่าก็มีบางท่านก็ก็ไม่ก็ไม่ได้แบบสบายไม่ได้แบบบางอนพากพยะก็เหมือนกับเออล่มแล้วก็ต้องมาเป็นอ่าปอาทานแล้วคนก็เข้าใจผิดท่านก็เหมือนมาพึ่งพุทศาสนาแต่ก็ก็ก็บรรลุธรรมได้อะไรครับก็เลยคิดว่าอาแต่ละค น, นไม่แต่ละคนไม่เหมือนกันก็เป็นครับไม่ต้องไปไม่ไไต้องไปเปรียบที่เราหรืเขาแล้วเราไม่ครับนนั้ครับเอามาเอามาเป็นเอามาเป็น มันเป็นบทเรียนสอนเราให้เราสู้ให้เราคับมาแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เลยทำให้มันก็มันก็ไม่ไม่ต้องมีบุญบารมีอะไรเยอะแต่ว่าก็ต้องมีความเพียรต้องไปออกปฏิบัติเราไม่ต้องมีบุญบารมีเพราะเรามีพระพุทธเจ้ามาช่วยเราครับครับมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องใช้มนุษบารมีครับมันครับมาแต่ถ้ามีท่านเราตามปฏิบัติตามท่านก็ได้ถึงได้ครับมา มาดูครับอืมก็ก็เลยรสึกว่าเอ๊ะมันกขาเอาปฏิบัติแล้วท่านก็บังแล้ก็ไม่พรรษาหนึ่งก็อากก็ก็บรรลได้เหมือนเช่นกันครับแต่ศึกษาศึกษาประวัติแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีกาลังใจครับอ่าอืมดีครับนี่ครับก็ก็ก็เลยก็เลยเป็นข้อคิดหนึ่งวัดเออก็ก็ก็จริงครับก็เป็นโชคดีที่ จริงต้องออกปฏิบัติแน่ๆขอเราได้ปฏิบัติก็ถือว่าเราได้ของได้ของที่หายากแล้วการได้ปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิที่หายากครับครับพยามทําต่อไปแล้วกันครับแต่ผมนะครับก็เข้าคงสองสองข้อครับนี่ครับครับหมนแล้วนะครับประเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมีไป เกาให้ไปช่วยทำอุปกรณ์อะไรเข้าอินเวนต์แต่ว่าไปใส่ในปในอาจารย์ใหญ่ที่เป็นเฟชคาเดเวอร์เป็นแบบศเพิ่งเสียอะไรครับก็เลยคิดว่าน่าจะได้ทําแล้วก็อาจจะได้ทบทวนอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําด้วยว่าว่าเราก็จะเข้าไปคือทํางานก็คงทําแต่ว่าอาจจะพิจารณาอะไรเพิ่มเติมดีไหมครับเป็นโอกาสที่ว่าดูความเป็นจริงของร่างกายคโอเคเราวอาไปนานๆดูทีแล้วอาจจลื มองคนเรมองแต่ข้างนอกไม่ได้มองเขา้าไปข้างในอยากฝึกดูทั้ข้างนอกดูทั้งข้างใ น, นด้ว ย, ยมันจะได้บาลานซ์ครับจะเป็นโอกาสที่ดีครับอบตลาดาาที่แบบตึงเสียอะไรก็คงยากจะยากมันลดความบรรเทาความการอารมณ์ได้เยอะครับนแล้วมันจะทําให้การอารมณ์ไม่เกิดครับ <laughs> ตอนไปช่วยบินทบาทผมก็พยายามนึกอยู่ครับเวลาถ้าเจอไทยหน้าเตาสวยๆเรามองเป็นกระดูกไปก็คือ อ, อ๋อเขาไม่ได้แบบเห็นชัดขนาดนั้นแต่ว่ากัดก็นึกภาพเขาแล้วก็อีกสักพักก็จะเป็นภาพในใจว่าเป็นมันจะเป็นชุดแล้วก็เป็นกระดูกเขาอยู่ในแทงครับครับาวนี้ครัวันนี้ครับพุ่งโพวิธิบนอสุภามันซื้อมาลงตาถ้าอยากกันดูก็ไปดาวหัวได้ ได้ครับได้ครับเ๋ยวอยู่ในเฟซบุ๊กอิสระสธธไทยทไารมาีขวาวติแล้วเราก็เก็บไว้ในเครื่องไานดะังงานได้ครับนบ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีมีอาจารย์ใหญ่สองท่านครับก็เดี๋ยวช่วยเขาทำงานวิจัยก็เดี๋ยวอาจจะได้พิจารณาปัดให้มันแน่นขึ้นครับไ ป, ปบบถัาผนะมต่างไปที่คนปิด บ, บันเด็ดเชิญไม่มไหายไปนานกันย่ารัง สำหรับราชการครบก็มีคันดาที่แล้วที่ปิดนานครับแต่ก็ได้ใช้ทํามาของพระอาจารย์คือน้องที่ป่วยโควิดเขาอารมณ์ไม่ดีครับเขาก็เวียงในไลน์พูดไม่ค่อยพอครัแต่เราก็เอเหมือนเราก็วางมันก็เราวางไปครับเราไม่รับอะไรของเขาเราก็แค่บอกไปเขาไปเขาอยากได้ทาอะไรก็ทําไปพูดอะไรพูไปไม่ใช่เรื่องของเราผว่า ได้ที่เอกผลวมันมีไม่ใช่คำถามที่เกินมันทีนเรานาอะไันจะเขาจะคิดก็ปล่อยโขาไปครับเราก็สุดแต่ปรดีว่ามันก็สีจะสีซุ่มเราก็เลยฟังอยู่รอบนอกครับทางาัย์แล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าเ อ, อาจารย์โพสเรื่องอสุพะจะเอาโหลดมาดูครับอ่ามอือมันไม่หายามเจชคดีมีคนเข้าไปเจอเขาแก็มาบอกวช่วงนี้ผมก็มีไปได้ฝึกไปฝึกน่วม อ่าพอดีมีครูฝึกมาจากครูเขาอยู่วิชาชีพที่โคราชครับแล้วพอดีเขามาช่วยหลานแถวบ้านครับประเปินว่าเอาแทนเขาไปนวดแล้วก็แนะนําเราเราก็เลยไปเจอเขาแล้วบอกว่าเออเราหนวดหลวงพ่อหลวงกดทาอะไรเงีัยเขาก็บังเออเขายินดีจะช่วยสอนเพิ่มหน่อยครับก็เลยได้ไปดูพวกไก่ท่าพวกโครงกระดูกอะไรเงี้เราก็ได้พิจารณาด้วยกับอาจารย์ เหมือนตอนนวดเราก็พยายามอืงตรงกระดูกนะนวดลูกแล้วก็เมนมันก็กระดูกเด็กก็มีกระดูกเอาคือจับท้องก็รู้สึกมีแป๊บมีเลือกชีพจระนะมันก็เลยแบบก็ได้ประโยชน์นนนนนเหมือนกันครับอาจารย์เหมือนได้สุขภาพนะครับอาจารย์นี่นโอเคมีอะไรไหม่านข้อใดอ๋อพอดีว่าเมื่อวันจันทร์ก็เป็นวันเกิดตัวเองครับก็แต่ก็รู้ว่า ไปจริงาครับต่ผมรู้สึกว่าเออแต่มันไม่ได้ทำกีนะใช่ครับรู้สึกว่ามันใกล้ระตายมายยนะอีอาอกแบบสิบปีหนึ่งแล้วทําทำให้<อ><บ>เป็นวันไม่เกิดให้ได้นะครับนู้ถึงคำนี้ของพระาจารย์ครับหลังแตกบอกว่าพยายามต่อยพอระายด้วยโอเคอ่าถ้าคนที่คนาสเวยอยู่ที่ไหนเป็นบาสเวยกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะ อยู่ที่นนท บ, บุรีค่ะพระอาจารย์โอเคมีอะไรไหมก็ฟังพระอาจารย์อยู่ข้างนอกที่เฟซบุ๊กว่านะคะ mm hmm. ก็อยากจะกลับเรียนพระอาจารย์ว่าพอดีช่วงวันหยุดที่ผ่านมาได้ออกไปปฏิบัติข้างนอกเป็นครั้งแรกค่ะพระอาจารย์พอดีว่าที่ยุวพุทธเขามีการสอนปฏิบัติธรรมภาวนาสี่วันภาวนาเป็นสําหรับเหมาะกับคนภาวนาขั้นแรกคะ่ะ ก็ได้ไปปฏิบัติพอไปเราก็เลยรู้เลยว่าที่เราปฏิบัติอยู่ที่บ้านน่ะมันมันไม่ใช่ค่ะอาจารย์ที่นั่นเขาก็จะสอนสอนให้ปฏิบัติเยอะแล้วก็เดินจงกรมค่ะอาจารย์ก็ก็แล้วตอนที่ก็คือจะเป็นการปฏิบัติของดออรอาจารย์อาจารย์หมออมมาลามารีลาค่ะท่านก็จะ เป็นคารวะที่พูดธ ร, รมะแล้วก็จะฟังเข้าใจก็จะฟังสลับกับของพระอาจารย์สุชาตินะคะทีนี้เขาก็จะสอนส่วนใหญ่ทั้งวันอ่ะสี่วันก็จะปฏิบัติเยอะก็ให้นั่งนั่งสมาธิแล้วก็ให้เดินตรงกรมอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ทีนี้หนูก็นั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆรื่อยก็ฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็ได้เห็นนึกถึงหน้าพระอาจารย์นะคะ ได้มาจางแลก็เสียงพระอาจารย์น้อยมาที่อาจารย์หนูเคยเข้ามาปรึกษาพระอาจารย์พระอ า, าจารย์ก็บอกว่าให้ปฏิบัติให้มากพอเสียงพระอาจารย์เข้ามาในหูว่าหนูก็นั่งดีเลยค่ะพระอาจารย์ก็นิ่งพยายามดูลมหายใจพอนั่งจนไม่ได้ฟุ่งซ่านอะ่ะมันก็จะมีแบบเหมือนเห็นพึ่งอย่างเงี้ยค่ะพึ่งมันแบบบินเข้ามาที่ดวงตาอะไรเงี้ยแล้วก็แตกตัวมันก็แตกแตกแตกไปแต่ว่าเราก็นึกว่าเออให้วางให้วางเน่ยไปสนใจอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเข้ามากราบเรียนพระอาจว่าคืเ อ, อเรากเร็เริ่มได้ปฏิบัติแล้วแต่ทีเนี้ยตอนที่เขาสอนเดินตรงกลมอะค่ะหนูก็จะเดินเดินแบบว่าไม่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะบางคนเขาก็จะเดินก้าวช้ามากแล้วก็พอตอดวันวันที่สามที่สองที่สามที่สี่เขาจะให้เดินเองมีเวลาช่วงให้เดินเดินเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เดินไปโดยการนับนับ นับหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้าเก้าอย่างเงี้ยก็เลยจะกลับเรียนถามพระอาจารยว่าจริงๆแล้วการเดินจงกรมรอระอะมีหลักไปยังไงนะคะก็เหมือนแบบการนั่งคือการเจริญสติคอยมีอะไรกัควบคุมใจไม่ให้ไปคิดตู่แตกเดินเดินแล้วดูเท้าไปก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเดิอเดิ น, ดนไปแล้วบริกรรมุดโถมุดโถไปก็ได้ค่ะแต่พอตอนหนูเดินอ่ะหนูจะรู้สึกว่าเออ เราก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านแต่แต่อาจจะเป็นเพราะเรามามาเหมือนกับมากังวลหรือมาคํานวณเกี่ยวกับการก้าวสั้นก้าวยาวนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนั่งอาจจะฟุ้งซ่าเนเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็สติเราไม่ค่อยดีนนมันเด็กฟุ้งซ่านให้ให้มีสติอยู่ก้าวมันฟุ้งซ่านไปใช้คำอะไรคำพุ่โถวพุ่โถวไปเนี่ย ใช่ค่ะเพราะพูดโทรแต่ว่าบางทีมันออกไปมากๆหนูก็ใช้ส่วนอิทีไปโศไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอจจะได้นั้นจะดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูเท้าทีูเท้าเราเออยังยังดูไม่ได้ก็อย่าเพ่งไปดูใช้ส่วนไปดีกว่า าการได้ออกไปปฏิบัติที่ข้างนอกเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าทําไมพี่พญาติทำรรเนี่ยที่จะต้องหาวันที่จะออกไปปฏิบัติที่กับพระอาจารย์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าการที่เราสวดมนต์อยู่ที่บ้านาเนี่ยทำวัดเนี่ยเราเราก็ได้ความรู้มากขึ้นว่าทำวัดเช้าทําวัดเย็นเนี่ยควรจะสวดแบบแปรจะดีกว่าแล้วก็การนั่งหลังจากที่หนงสวดมนต์เนี่ย เราก็เลยได้รู้เลยเหมือนเคยฟังพระอาจารย์ประโมทก็บอกว่าไม่ใช่นั่งแบบเครียดๆเราก็เลยได้รู้เหมือนว่าสิ่งที่เราทํามามันยังไม่ได้ถูกเลยอะค่ะก็คือแบบเป็นการนั่งแบบเครียดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มากราบเรียนพระอาจารย์ว่าได้ออกไปปฏิบัติี่ก็ได้รู้ตัวเองอะค่ะได้ได้รู้จากการจากกันอย่างเงี้ยค่ะวราไม่เคยห่างลูกในนี้ก็ห่างลูกไปแล้วก็ พอดีสามีเขาก็ยอมยอมให้ไปเพราะว่าเขาดูแม่ให้พอดีแม่เป็นแอนเมอร์แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาก็ยอมดูให้ก็เลยเพื่อธรรมะจาัดสรรให้เราได้ได้ออกไปเริ่มต้นเนี้ยค่ะพระอาจารย์ดีค่ะโอเคเลยเราปฏิบัติเราคุณจาจะเปิดเปิดถูกๆแร้วเราเข้าไปเข้ากลุ่มเขากขาอาจจะมีวิธีที่ถูกต้องค่ะก็ก็ได้ประสบการณ์ว่าเออทีนี้เรากลับมาเราก็จะต้องมาแบ่งเวลาว่าเรา จะนั่งแบบไหนแล้วก็แต่ก็ดีตรงที่ว่าถ้านั่งแล้วเบื่อหรือว่านั่งแล้วง่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ลุกขึ้นมาเดินอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะก็จะกลับเรียนถามพระอาจารย์อีกอีกข้อนึงก็คือว่าไม่เข้าใจตรงที่ว่าพระอาจารย์หรือพระหลายๆพระองค์อจะบอกว่าจิตมีกําลังกับจิตไม่มีกําลังอันเนี้ยมันมันเป็นยังไงนะคะพระอาจารย์ ถ้าจิตถ้ามันจิตมันมีกำลังมันจะทำอะไรมันก็ทําได้อย่างง่ายดายถ้าจิตไม่มีกําลังจะทําอะไรก็รู้สึกยากยอ๋อเหมือนถึงว่าเราพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะคิดออกอย่างเงี้ยหรือบาาา้างคะอาจารย์ก็แล้วแต่ทุกอย่างจะเดินโยกมถ้าไม่มีกําลังมันก็เดินไม่ได้มันก็จะคิดเกียจจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ไมันก็จะนอนได้ค่ะแสดงว่าวมไม่มีกําลัง มันแค่นำอะไรมันเดินมันก็เดินอะไรมันนั่งมันก็นั่งค่ะเดีไปปฏิบัตินี้ก็ดีมากเลยเพราะไปถึงโรงทะเบียนนะเขาก็ขอโทรศัพท์เลยค่ะพระอาจารย์ขอไปเลยแล้วก็ให้เราปิดเครื่องแล้วตอนแรกหนูก็เหมือนแบบยังไม่ได้เขียนเรื่องยาเรื่องอะไรให้แฟนอะไรเงี้ยค่ะ<ม>หนูก็เลยต้องไปเบิกโทรศัพท์มาก็ขอเขาอะไรเงี้ยบอกว่าคือเขาก็ยังเรื่องงงเรื่องยาก่อนนอนนู่นนี่นั่นเออพอคุยอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ แต่วันแรกอะไม่ได้พระาจารย์นอนไม่หลับเพราะว่าคิดถึงลูกชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็นึกถึงพระอาจารย์นึกถึงพระหลายๆองค์ที่ว่าหนูเข้ามาฟังในเฟซบุ๊กก็บอกตัวเองว่าเออต้องต้องตัดต้องตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องวางออแต่ก็แต่คือแรกนอนไม่หลับเลยแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าตีสี่เงี้ยวันที่สองก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็เพลียมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าต้องวางต้องวางแต่มันก็เป็นการสอนใจว่า คือมีสักวันหนึ่งวันก็ต้องจากกันน่ะแต่วันนี้มันเป็นการจากเป็นไงคะมันก็เออมันก็เริ่มหวังได้พอวันที่สองก็ดีขึ้นแล้วก็ถือศีลแปก็กินมื้อเดียวจริงจก็คิดว่าตัวเองน่าจะอยู่ไม่ได้แต่จริงๆมันก็ไม่หิวเลยนะคะพระอาจารย์เขาให้ให้กินตอนสิบโมงครึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วทั้งวันเราก็ไม่หิวเลยแต่ก็มีมีอาการนิดนึงก็คือเหมือนเราขาดกาแฟเงี้ยก็จะมีปวดหัวแต่พอวันที่สามก็เริ่มเข้าที่ค่ะก็รู้สึกดีค่ะก็ก็ตั้งใจว กลับมาเริ่มปฏิบัติตามที่ได้ไปเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมากราบเรียนพระอาจารย์ก็พระอาจารย์รบกวนแนะนําหนูนิดนึงนะค่ะอะไรที่มันเป็นปัญหาเช่นกาแฟก็อย่าไปดื่มมันเลยพยายามไม่ได้ดื่มมัน ก, มนก็มันก็ทุกข์นะพยายามอยไปเพิ่ม อ, อะไรมากนะเพิ่มสติในการให้เพิ่มการปฏิบัติดีกว่า ค่ะค <sc Ugh. S 1> ือหนูก็จะทานกาแฟวันละแก้วตอนเช้าแต่ว่าก็รู้แต่ก็มีเตรียมกาแฟไปแต่เขาบอกเออสีแปลกแล้วกาแฟที่เราไปมันก็เหมือนจะมีมีไอ์คาเฟอเมลอะไรอย่างเงี้ยเออมีนมหนูก็เลยตัดใจว่าไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปกดน้ําร้อนมาดื่มเอาค่อยๆจิบน้ําร้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออก็วางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย็ติดของูลนี่แล้มันดูซีกินั่นค่ะค่ะ ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะุอาจารย์าาร อ, อ่าต่อไปนี้คุณบาลอันี้คุณบาลีมาช่วยได้เลยวิทยการนะการองพ่อค่ะไม่เยมีอะไรไหมวันนี้เหนื่อยแลว่อไม่ไม่มีอะไรค่ะอ่าาไ ม, มีเดี๋ยวจะได้ข้ามไปเลยนะมันจะมีอะไรจะพูดไหก็อ่ะ วันจุดที่ผ่านมาหนูก็ไปอยู่วัดมาของพอ่อดีไหมดีคะ่ะหลวงพ่อแต่ว่าไม่มีไม่มีไฟฟืนเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยะคะ่ะหลวงพ่อมันทดสอบทดอสอบหัวใจธรรมชาติธรรมชาติมันมันน่ากลัวยิ่งกว่าเข่าชีโอ น, นะ ค, ะ<ม>ค่ะหลวงพ่อทดสอบจิตใจแบบมันมืดมันไม่มีไฟที่กุดไม่มีเลย ค, ะค่ะหลวงพ่อแล้วก็ร้อน แล้วแต่ว่าการปฏิบัติก็คือจะน้อยกว่าที่ของชีโอนหน่อยหนึ่งคือว่าต้องไปไปทํางานตอนเช้าค่ะมีส่วนบนตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นที่ทําวัดค่ํามบ่ายบ่ายสามก็จะมีทําทําขาเรียกทาอะไรครับกว่ากว่ากว่ากว่ า, า, าค่ะค่ะพ่อแล้วที่เหลือพอกลับมาก็ปฏิบัติหนูปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติแบบ เต็มที่อะค่ะหลวงพ่อแต่ว่าที่เนี่ยเวลาเวลาปฏิบัติแล้วอะมันเรียกกําลังสติอะมันชัดเจนขึ้นแต่ว่ามันได้แค่ครั้งละชั่วโมงแล้วก็ออกมาคือมันมันร้อนค่ะหลวงพ่อแล้วก็กินน้ําแล้วก็กลับเข้าไปเป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อไม่ได้แทบไม่ได้พักเลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็มันจะเห็นว่าอสติมันแน่นมันชัดเจน แล้วพอแต่มันจะมีพอหลังจากออกออกสมาธิมาแล้ว่ค่ะหลวงพ่อมันมันจะมีความกังนวลว่าเออเราจะนั่งนานไปปฏิบัตินานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะห่วงเวลาว่าเฮ้ยเกี่ยวเราจะไปไม่ทันมันจะเดินเดินกลับไปที่ศาลาหรือว่าไปทํางานร่วมกับทางวาัดอะไรเงี้ยมันจะมีความกังวลตรงนี้นะคะหลวงพ่อแต่ว่าช่วงเวลาที่เราปฏิบัติมันมันรับรู้รับรู้ในที่นี้ของหนูคือว่า มันเห็นมันเห็นความจริงตรงที่ว่าไม่เที่ยงอย่างอย่างเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะแยกกันระหว่างกายกับกับเวทนาอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันมันเห็นเลยว่ามันมันไม่เที่ยงพอพอเวทนามันเกิดหนูก็ปล่อยปล่อยไปเลยแล้วแล้วสักพักหนึ่งเวทนามันก็ดับมันมันเหมือนมันมี มีคลิกออกมาให้ให้เห็นว่า อ, อมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันมันชัดเจนมันธรรมชาติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่าะหลวงพอ่อแต่ว่าช่วงช่วงที่เรานั่งปฏิบัติเราไม่ได้ไปคิดวิเคราะห์แค่เรารู้เฉยเฉยเราเห็นเฉยเฉยนะค่ะหลวงพอ่อว่ามันมันไม่เที่ยงมันมันแสดงความจริงให้เราเห็นทุก ข, ขนาดเวลาแล้วเราก็ปฏิบัติไปจนจบ จนกำลังสติละหมดแล้วเราก็พักอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อจะเป็นปรลับอยู่แบบนี้ตลอดเวลาค่ะด่าค่ะแล้วเออ่มีอยู่ช่วงที่ที่หลังจากออกมาแล้วมันมีความกังวลแล้วมันหนูมองเห็นในใจตัวเองว่ามันมีมีโทสะค่ะหลวงพ่อว่าเราเราห่วงที่จะปฏิบัติเราคืนมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้อง ไปไปไปทำงานวัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็มีคำตอบสวนกลับมาเลยว่าเราอยู่ในคนหนูมากแล้วทางวัดคือมันเป็นวิธีการปฏิบัติที่ต้องร่วมกันจะจะกินน้ำปานะหรือไม่กินหรืออะไรเงี้ยต้องไปพร้อมเพียงกันคือเป็นกฎของที่ที่วัดนะคะ่ะหลวงพ่อพอมันมีคำตอบยปุ๊บมันมันตัด ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกปติแล้วก็หายไปจากในในในใจของเราอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วก่อนช่วงตอนนั้งคืนนะคะหลวงพ่อคืนแรกเลยมันมันมีความรู้สึกว่าเราไม่คุ้นแต่สถานที่มันน่ากลัวมันเหมือนมีความกลัวเกิดขึ้นมาแบบเหมือนขนเราลุกไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วสติอ่ะมันบอกเลยว่าเรามาปฏิบัติ ถ้าเราเราจะกลัวรเราเห็นผีหรือว่าเราเห็นโครงกระดูกอะไรเงี้ยสติมันบอกว่าเราก็มีเหมือนเหมือนกับเขาทุกอย่างถ้าถ้ามาให้เราเห็นหรือะไรเงี้ยมันจะบอกเลยว่าเรามีเหมือนกับเขาทุกอย่างแล้วความที่ความคิดที่กลัวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันตัดมันดับมันเป็นปกติปฏิบัติเหมือนปกติทุกอย่างมันไม่มีความอะไรตรงนั้นเลยค่ะหมอพ อ, อแล้วมันก็สงบนิ่ง สงบทั้งจิตเราแล้วก็ทั้งกายเราชัดแจ่มทุกอย่างค่ะหลวงพ่อที่หนูปฏิบัติมาสองสองสามวันเนี้คะ่คะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเห็นอะไรห<ม>ลายอย่างชัดเจนคะ่ะหลวงพ่อเห็นตายรับเห็นนิจําทุกขา์าห <คะ S 2> น้าตาค่ะแล้วก็มีมีเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มีเรื่องค่ะคือมีมีแปลกนิดนึงค่ะหลวงพ่อค่ะ ถาอาจารย์ที่ที่อยู่ที่ที่ในวัดเนี่ยคะ่ะก็เวลาเดินท่านมารับป่าเสร็จแล้วก็ท่านมาหยุดหยุดตรงหน้า่ะตรงหน้าแล้วท่านก็บอกว่าให้ยิ้มยิ้มแล้วจะมีความสุขชีวิตจะมีความสุขวันแรกวันที่สองท่านก็มาหยุดตรงหน้าทัา้งทั้งที่คนก็เยอะมากปกติท่านจะไม่ไม่สนทนากับกับใครเนี้ยแล้วท่านก็มาบอกว่า เมื่อไรเมื่อไหรจะมาบวชท่านพูดสองสามครั้งเมื่อไหร่จะมาบวชแล้วท่านก็คือพูดเหมือนเป็นปริศนาแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้ววันกลับตอนจะกลับท่านก็เปิดแมสซึ่งปกติพระที่เดินมาไม่ไ ม, ไม่มีรูปไหนเปิดแมสเลยแล้วท่านก็หันมายิ้มเปิดแมสแล้วท่านก็มองว่าให้กลับมาปฏิบัติอีกจะได้มาบวชแล้วท่านก็พูดแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อ ขึ้นก็แต่ท่านเราจะทําอะไรก็เรื่องของเราไม่ต้องไปกังวนท่านจะพูดอะไรก็เรื่องของท่านเราจะบวนไม่บวชเราจะพรบกลับมาไม่กลับมาก็แล้วแต่แล้วแต่เราไม่ต้อาไปกังวลแล้วก็มีคนถามว่าปฏิบัติน่ะปฏิบัติสายไหนหนูก็ไม่เข้าใจคําว่าสายสายนี่หมายถึงอะไรยังไงเขาจะไปเรียนกับครูอาจารย์สายไหนน้องปู่มั่นหลวงปู่ห้องพ่อฤาษีลิงดํำห้อง พ่อสามก้าวท่อะไรนี่เขาเป็นสายสายไปหนูหนูบอกว่าหนูเรียนกับหลวงพ่อสีข่ข้านนี้ก็เป็นสายใหม่แนะเนี่ยแล้วแล้วแม่ชีเขาก็ยิ้มเขาบอกอุย้ยหลวงพ่อเนี่เหรอเขาเหมือนรู้จักหลวงพ่อเลยค่ะเขาบอกโอ้ <S <S หลวงพ่อหลวงพ่อมีเมตตามากเลยหูดีเก่งอะไรเงี้ยหลวงพ่อเก่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะว่า <S <S หนูไม่รู้ว่าสายไหนหนูรู้แต่ว่าเรียนกับหลวงพ่อ ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็เป็นตามวันเียเขาอยากจะรู้ว่าเราไปเรียนกาอาจารย์าจารย์ไหนนะก็ที่นี่ก็มีต่หมอปฏิบัติใช่ไหมคะเอาให้นี่ก่อนนะถามคุณหลวงพ่อถามาคุณหลวงพ่อข้าวอาทิตย์ร้าสุันท้ายมีทั้งหมดสี่คำถามเจ้าค่ะอาจารย์สองคำถามแรกจาก ผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งการขอสามีไปวัดว่ายากแล้วการมาวัดสู้กับกิเลสยากกว่าอีกได้แตกความปลาชัยให้กิเลสและลาคะคืนสุดท้ายของการมาวัดหนูฝันว่าสามีมีเด็กอายุสิบเก้ามาติดใจหนูอึดอัดมากในฝันแฟนก็นิ่งๆไม่พูดว่าอะไร แต่ในว่านี่แฟนเด็กคนนั้นก็ตามติดไปๆมาๆหนูก็สะดุ้งตื่นมาตอนเที่ยงคืนกว่าเป็นความฝันที่เหนื่อยใจแพ้ยับเยินใจมันไม่ยอมปล่อยเลยค่ะจะแก้โดยไปวิเวกวัดป่าคนเดียวบ่อยๆใช่หรือไม่คะหรือควรทำอย่างไรคะต้องฝึกสติฝึกปัญญาเนี่ยพย า, ายามทำใจให้เน่งแล้วก็พิจารณาความให้เทียม มันเป็นเรื่องธรรมดารับจะชอบเราแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจครับเขาไปชอบคนอื่นก็ได้เราพยายามรับความจริงอันนี้พยายามรับว่าไม่มีอะไรแน่นอนเขาจะไปชอบใครครับเป็นเรื่องของเขาไปปล่อยปล่อยวางยอมยอมให้เขาไปเราก็จะไม่ทุกข์แต่เราก็ไม่ยอมปว่เราไม่ยอมปล่อยถือว่าเขาเป็นของเราก็ระต้องอยู่ของเราไป เราวจะทุกเวลาที่เขาเขาไม่ได้อยู่กับเราคำถามที่สองการดูอสุภะดูอย่างไรก็ไม่เข้าไปในใจคงต้องสอนใจไปเรื่อยๆหรือทำอย่างไรดีคะแล้วแต่เราไปดูยังไงไปดูดูเข้าผ่าศพดูเห็นดูดูดว้ยยวะต่างๆที่อยู่ในในข้างใน เนี่ยพอดีวันนี้ครับก็มีคนหนังสื้อลองไปดาวโหลดต้องซื้อมาดูก็ได้คุณถามต่อไปจากคุณบุญชูกราบเรียนฐานพระอาจารย์ครับว่าคนที่เคยได้ฌานสมาธิสูงในชาติก่อนๆแล้วไม่ได้นําไปใช้ทางปัญญาแล้วเกิดไปในชาติต่อๆไปไม่ได้ทําสมาธิต่อฌานสมาธิจะเสื่อมหายไปไหมครับขอบพระคุณครับหายถ้าไม่ทำํำก็หาย ถ้าาาทนํมมัก็จ ะ, ะคําถามสุดท้ายจากคุณเตชินีกราบพระอาจารย์เจ้าคะ่ะทําไมตอนเห็นผู้ดูเราถึงไม่ชอบเขาวคะมันคือเห็นอารมณ์หรือว่ามันคืออะไรผิดถูกอย่างไรขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยคะ่ะที่เราชอบไม่ชอบเพราะเรายังมรกิเลสอยูย่ถ้าอยากจะทําให้ความชอบไม่ชอบนี้มัน หายไปก็ต้องฝึกสมาธิทำใจให้แน่งพิเนียบิจาคาวามท่าไม่ช่ามันก็นจะลดลงไปให้ไปได้แต่ช่วงข้าวนะหายแบบสมาธิหายแบบช่วงข้าวอาจะหายแบบทามงว่าเราใช้ปัญญาเอาแล้วนะวันนี้เรคิดว่าพอสมควรจะเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิยบิจารนะไปปฏิบัติ เจ้าความสุขความเจริญก้าวหน้าในทรรยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ